ต่ังงกวังตัางร่างตัวสัมมาสัมพุทธาจารนะโมตัสสพังกาวงตรงตสัม m a h a s a m b o d h i s a t t ฟังเรงมาเวีชาโดกฉันสิบันเละยงยุคเทศานาจากซอนเป็นคำก่อนอิ่สันแรงเครื่อเสียงรันเสงฝากเปียนเด็กกะลาควาผู้ฟังได้ยินตั ขพเชิญนพวกพี่น้องเพราแลลแมสาทุชนเมือสุกคนที่มาฟังให้ชื่อจำเอาไว้ตอนพระพุที่อันไทยขวางเอา็ไวยชานเป็นมหาเวทานได้ท่านสางแต็งกุศลบาละมีเลือนลอน เต็มเพียมด้บัมเพส น, นับฟ้าเป็นแนวทางได้อย่างตามงามลุ่นจังว่าคนใด้โหกระทำตามข้องเอียทวนลำลึกนึกไว้คนนั้นประเสริฐาย เวันล้นนับว่าเป็นชาไทายที่ิ่งใหญ่ผู้ที่สาขัดมาเป็นองวงพระพุทธคุมเจ้าฉันสิน้ำมาว่าจับสํำน่อยเห็นก่อนคิีทรเสียสอนสิพอร์ได้ใต้อม ขอเชิญชวนพี่น้องพ่อและแม่สาทุชนฟังเอาเถิดที่เกิดผลประโยชน์นี้พุ่นเพิม่มทางสะพนกันเล่ามิมาผานกสิ่อหอดนักพุ่นละพอทิ่สามกัน ตัวสิยะภาคเบื่องสิบ้งเรื่องหิมะพานตอนนุกานพุทธเดชสิลวงลวงภายใตีเกิดมาในคุ้มเพื่อนชมผู้มนุษย์ลองโชคสวรวันทรงให้กะเลยได้ดังพระพร้อม จังเ่ยแก้วกำกวอนมันทลาชายาเป็นมัณดาของมนางประโญดางามยามเทียมดังผลแปงปันเจ้าสวรรค์กำกังฟงประเทศเขียแก้งแด่ไตจกษะซาเยง เลืกกันจนเปลงเปลงไปสิเปรียมเสมอเมื่อนงามดังเดือนวันเพลินเลิศเวลในลาจางดวงตางามวงพระผู้ขาดกองจังว่าคิวขารกองงามก่เจุกกอมกันนะ ว่าละกายดังสร้างป่านฝีมือเอกบัรจงงามหลงทรงสวยกาดองรงกุงพิ้นโยกันจะเล่นเกินสิพบหกปีก็ได้ควกับสนใจที่เจ้าองเอาเช่นตัวนอน ขอางสีพยพี่บ่เดือดร้อนสนุกใจท่านขวางสมใจฟางมนุนึกดังพระพร้อมวอนไวตอนนั้นอินทาไทยเชิญ อ, องโพ่อเทลานันดุสิดนงเอานอกมาเข้าสู่พระคัง เดือเดือนใกล้ประศุนนานนั่งประพาดจุมนาคไปถึงตอนกลางทางเกิดระชวนขังกาบอนจุมชุนเจ้ากานางพย้าเลยประูตนแสนประเสริฐลูกน้อยงามลอยดังเขียน งามว่มีบุญเพื่อนพ่อปัญยนในเต่าเกสาดำคือเท่ายอดพระคุณบุญล้นคนทั้งหลายแท้สร่างสาธุการย่อดเยี่ยนงั้นจะหลอนคือขืนไปก็ชื่อลองอุลา พวกที่มาจากฟ้าได้เกิด่วามวันเดียวกันบ่อนเลีวยนทั้งหลายกเกิดวิดียวได้ขณะนั้นมาก่อนไทยว่าันดอนพระยาเวนเอ็นที่เกิดต่อพ่อคำพระนามี ยังม้นสมนันละนาสาตา์ เอยกหนึ่งกลางตอนปัจจัยนากหนาขี้นก็เกิดเป็นมุขคนหัวมพระองวันนั้นอาสะจันข้าวนี้บาลมีลนกรามอมพุนธิกรลังหลอมนกมาสู่เสือนทุม สมเล่วละบาละมีที่ก่อไว้แสนชาติมหากราบนับว่าบุญสมพระมากมหาสานล้นบำเพ็นตนลกจนลาชาติมากระมุมเองสมมนุมาทเมงแหงสางส่วนพันลาม อง์พระเวทแก่กลางสมควรคลอมคล้องฟังพระบิดาโบรางแตงมาเหตีซ้อนชมมังอนมรสีลามเป็นชายาเนาคู่อภิเศกยุก่วรวมดอกคขยง้างพังเผ่า กาจึงได้ลูกเจ้าช้าลีลาและ ก, กันหาสองดังล้งามหอนศาดวงสงโกอดวงมนุพระองค์ทานอยากทำทานแจกวานสางลุ่มทานหกแห้งไลยกัวังให้พร่นิกน่อนนะ จากหมู่ชนผู้เดือดร้อนผู้อยากหิวโหยพร่งโปรยทั้งตางสู้ประกาศบนเกลื่อนเดี่ยวเลือคนหยองสาธุการย้อนยืนทั้งเมืองนี้เมืองอื่นสู้ตะลอนยุกเนื่อเข้ามาไหวยืนทั้งหลายกล่าวถึงกรุงเทตข่ายดอกกํา ไยเมืองกะลึงตกข้าวถึงหายนานได้ทุกทนเพราะคนแรงเกินกันดานดินแหงเกินเขายากมาแข้งคนแรงแห่งไงเผยพิบัติผัด พ, ดพอไตยเทียมกันส่วนลาย พระเวทขวนกระจึงใหญ่ตามคำสั่งพระราชานั่สัรตรามาทุนเพิ่มบนพระองค์ทางขอไพสาลไปไว้เมื่อกลึรในฝนลังพระเวทฟังอุดบอะไรก็เลยให้ทอดทิ้ม เกิดทิดใจลูกบ้านบางทัาผู้หัวแข่งหัวรุ่นแรงยกหยุ่ยมู่คนใดสนแทงเมืองเสียเพียงบางเสียงคมร้องประกาศญาติพี่น้องในตานพระญาติในไรนี้จวมกรรมกรรมเก่าเองพระเวนกระทั่มา ตูกประจาลงทันในไรนี้เมืองบาองค์พระราตาลสนใจกะพร้อมภัยว่าพระเวทจะไหรท่านความกลางสัางต้นค้นกะาว ดามพระจันนั้นละนังกาา ร่เวทธานภูทธิราชจอมสีกะยินดียอมลับบอรวันไวกะชัแฟ้วด้วยว่าทุกลุ่งล่งได้ท้องธานบอริจาคาดมันผิดจังสิที่ทุนสูแต้าภูเดียว ใจเดินสวดพวดเลี้ยวทรงแบบเนมบวทรงกรองขวงพระช้างบุญพลากะคุกมีตอสนองวันนานี่ละหนเพื่อนวราทั้งดีไว้กังทั้ที่หอยเถื่อทํางสวดเพียงลำกังกับขวางกังไฟดี เราทำทานจังเสียบริเวณใดน้าจังเสียหาเราผิดนั่นัวสจำหำนานวาสนาเกิดบ่เคยเห็นกันใดชวนจังแม็นลูกลุ่มนี่กะทีตั้งดอกตั้งกัน ผู้จังหนึ่งว่านั้นก็เห็นตัวเป็นเดียวไหลกะตีนะ้านะสั้งกันพ้นอยจังว่าตัวของก่อยว่าทัพดีพยอยอนหากผิดใจรานสะดอนเราอย่างหลายเธอนีสิขอส่วต้อกั ท้องเดียห์หน่อยไว้บอว่าดีกระตำจังท้องสว่างสุดเกล่างว่าดีนั่นกระตังเขาก่อนที่พระเวชเจ้าสิจันจากลาหนีเลยไปหานาเมื่อสิบอกลาจาจ้งมันสิ พี่จะยังไปคาผู้เคาดันฟ้าพี่จะล่าดองแฉ่งไก่ขรางหั่งกระมอขอให้แกวกรรก่อนความลาดบูตรีดาคือชาลิกันนายอยู่วังเลี้ยงกวาง ปวงประชาะเขาโหมลุ่มสร้างขับไลเ่เหตุว่าพี่นี่ได้ท่านสร้างกุมิ่งเมืองพระเจ้าพอ่อทำเรื่องกระกรธ ด, ดอนเขาเหมาว่าผิดขออเมืองจึงไล่นี้ให้ไก่บ้านก้อยนุกงข้าลาเนาข้าลายย้อนแหงพี่ทิกับไม่แหงบัดเมื่อกำขาดเดืน สิขึ้นของเจ้าไว้หาอยู่ดีเนน้งนองลายอดร่างจอมความกำไฟมันน่าอึดอยากตามกันท้องไบก่อนดวงใจบุตรลาเพยียงควันตายเลียงมัน อันความดีความงามเจ้าก็พร้อมอยู่แล้วในส่อนลาลูกเขาผู้กับญาติก็ขอฝากเจ้าให้เพียรทำดูแลฟังกระแสาะคำหวานมอมพระณ้าในจําไว้ หากมีรักะชาติเมื่อใดก็ตามสร้างมักหูบนองมัดสิลลางสิเจ้าขอเจ้าอย่าได้ขีดทอนว่าพี่เสิ่อหว่วงเมืทั้งปวงายสำทั้งขาดกันแต้วันนี้ สัมผันเมียวไว้ในใจแต่กำฝ่ายนางเอื้ส่วนสัมพัสทางกายไอเลี้ยนางขาดเล้วไมียวส่วนกอมสวงพี่ขอสั่งนาดนองให้นัองฟังเสียงส่วบัตินี้พอเพียงบ่ได้เคืองคำม่วน เพียรที่อนไล่ลาำถึงเข้ากำจมต่องหางที่กบ้อยอยากห่างนั้นกบ้อยอยากเคอะเคอะเสียใจจะฮางกันนั้นหรอกนั้นมันเสีย ข de ้าวขังน้ำมันซอนาเนี้ังไขนางกะไลเลินลงอาฟางนางจก้ว โยพระก่อนทุนเก่าพระรามีสิแจ้งไขกระดีบอกแจียงแถลงขอต่อันว่าพี้นอายาวาจังสามสิจนจากมีไก่น้องบ่ไรอองวัน ส่วนสิตามไปด้วยเหงาเศ้าสวยมาแล้วนิ่วใดใดบ่ใดวันเสื่อผัวเมียกันสุกทุก nhóm ลับใดสันทวายจำเหม็นคล้อที่ยสิไปน้องอยู่โดดเดี่ยวเอกางจากเมืองมาอยู่น้ำผัวดอกเบิ่งผาใส่กอน เขาทุกชนสิมาถิ่มแก้มบุกบ้านผู้หญิงที่กมหน้ากลมตาเบ้งผัวไดจังสีแดเขาสีเหน่เออข้าเลียผัวไปเป็นแหงเมียสีแดงเป็นกาชาพรวละสีหัวละดอกย่อยันฟันน้ โย่ในฟางต้องตาเมนืส่วชีวิตอดทีหลู่ตด น, นองเหนคุณเท่ขันแม่นั่งอยู่เพียงมีแท่แต่สิใยชีวิตนี้หมดายแล้งแต่ที่สิบำจัง ก่อกรรมสิตามถูกกะยอมเสิทธนกันผัวเ ม, มียกันบ่สิต้องยังฟ้องดองเสียห่า ง, ง, ง, งยาจังได้น้อยไจสายังสิยไข้กัวยาำธนกันเจ้าคืนคุม้นมนักมาซิกราบบ่มฟ้าพระบาทพระสานเนี หากินด a แต่แล้วสูบกีบเท้ m ดองดอมไม่หมายว่าจนสีทนโซไปนั่งกับใ้โลกราตายกับข้าวเน่ากับข้าวฟ้ากับไก่บัวแดงมันเสียอินไว้ความทุกข์สองลูกน้อยไว้จางกับไป ความพอใจทสิเดินดองทิพระองค์กระับไทยตัวร้องใจไปพรำรำกันทั้งลูกกอนหิ ม, มาภามก็จบตอนพระนาร้าไม่มัดนเสีได้ก้าแถลงลอยสามสิสพระคาถาศาสดาพุนา่นเก้าแฉ่งประเทศนากร เยติก่อนส้องพักไหวแต่พอเพียงน้อยจบภาที่แถลงไอยนิดสิตาวยีนี่ก่อนหิมาพจบตอนเอวัางลุงพักเรื่องงเสียมดีเว้าลอ s t a n จันเซกที่สนาตาตามนิทธานชีแจรงภานกันก็แจรงตรงความภาคเสียงพูดกันดีทราบเรื่องว่าพระเวทนี้คุณต้องไหลเรียกว่าเหตุประชมทันสร้าง โลกที่นี่ใกล้กลางไรปังเข้าในปงังผิดอายาลาเบลังชาวบ้านโบวาดีพระนางกาโทนีดอกสุงเตือนตัวพระไทยกำบรรได้น้อคำกระซังจำมาพอ พะนางรอง่าไม่ได้เสด็จไปอดทีเ่เอ็งมที่พระเวทเจ้าอันทรงเ่วยอยู่ปางพูดสาดีเก่าอังพระลมลอยเอาใจว่าคำแม่เสิไปขออ้อนเจบิดฎในท่อนเหลือง พระนางเมืองจ้าล้วเสนิห์ไฟหอนพระพี่อันชลีกราบไหว้ทุดเจ้าเล่าขันดิมลูกเขาพิษตอนี้ดามเพือที่เดียวสังบเลยวและม้วนสองขึนข้งเกีย ทำใจดีมาเลยโบเล่เลยเล้คาบัดเพิยมาดามคำสังสีห้ไเลยนีสร้างตัวเดียวทอนียังสะกางบ่าบุญเพียงโปรดกาลุ่นดาวเสีห้อยู่ข้องเมืองบา นำเดววันวันไหวาหลาที่บกปากตอพระนางแขนเจ้าก้อนแสนที่เ้ากระเป้าได้พระนางฟ้านำตายกบขึ้นไปหาเาเวทสมเพดวยรูปเจ้าพระนางเ้าอ้อยปะลูนว่าคำ อ, อื แห่ได้ไปกับกอมพระนุมนอพัดทางขอขอมานนุ่มพระยอดคุ้มบุญฟา้าเพิ่นบัจ้าน้่ด้วยถึงเข้าซืวยตองจำฮางอุของแหน่สิแตกมากมาไล่สิ่งกบินนั้นมันซือ้อเจ้าอย่าโสกสบามันอดวางเข้ากำ จากสิทําธรรมประการใดอยาบ่มีคำว่าอุตสาวเนือแก้วให้เพียนเพียหักหักันเนือน้อเนือน้อเนื้อปได้เดียวศิษยได้พวกผ่อนืกควองเจ้าไว้ห công g a đứa an là là là thân toàn nhà ơi tăng cha ly c ầ n nhà buôn nhau n h ắ c nỗi đ ư n g cao p h ố i lây bàn gióng là gì phật nhà p h ấ y gì má năng cây gì phơi còn xuống â ย้หลานอยู่ยอกเจี่ขึ้นมาหนังเทาตาอินทร์ผู้พระพระเนตรงามย้ำจองลานท้องดกาง cây càn ที่ lấy v à ph ph áp, n ่ về n ย m phòng nhà về du c y ยามใจขาดเมียนก่มีน้อยก็อ่อนล้าเมือความหวังแม่นิยนานแต่ใจากดวงสงมส อ, องเวียนจนโดนคำมือแม่นิเสยใจล้น ว่าจะกำเมเนพลกราขึ้นมาญาติบ่อยนหน้าแม่ลูกคำเวงแม่เมืดท้องบนิแกษาสะอานหองทามนู เมื ầu, ่อนั้นผู้ที่อ่นเจ้ากันดอนพระยาเวียงสมเดพระแน่เจ้าผู้ทรงเศร้ากังวลถึงข้าวกำเลนตอ่ก็เป็นเรื่องธรรมดาหรกแม่เอ๋ย ว่ต้องโสกาคิดโสก้าสันแสนสคคัากรรมของเขานี่ประเดิมที่พอพานไปก็พพอทุกบาทน้ำสังตามกันผว้ตัวจนว่านั้นผู้เกิดแก่เจ็บตายว่าว่ า, ายิงหรือใช้ตัวอันเห็นเจอพอม บ่อว่าเป็นชนชั้นสามัญกะโดยดังนี่ละแม่อนิจจงมนุษย์โลกลุ่มใจไปสีเส้นก็หฮางเวิบลูกกะจังบ่เวีนักเวียนดังโดยเมื่อ ขอกราบเรือนพระมันได้ใครขวัญวันพอขอพระมันได้เจ้าให้บางเบาเศร้าสศกคิดว่าโลกลุ่มเนี้ที่แค่แก่สุขคนเข้ามากำหางพร ล, ลูกเสวยขึ้นปราง ลูกทีไปตามทางระว่างกำน้ำพอขอให้ล้วนนั้นบ่อน้นล้นลูกสี่ไยคุ้มบ่ซวยตลอดทางทางพนสี่คอยมี้ราบแต่เพียงทรนี้องค์พระเวรก็จัดแจงแ่งแก้ให้คุณก้างเสียมเครืงสีท้านวันพง เบิกระคับไ ม, ม้วงเสถมธาบคู่สุยางมีธทัมาและสร้างดกแพ่พังเครื่องถือนับว่าแสนโกดตือดกแน่นังสะนำรวงเมื่อทั้งควงเสถมธาบวาอ ย, ย่างเหลือไว้ประกาศไปเร็วหลอนประชากรก็ไหลลัง เขาสวมผุ่งเมมาทาลับของมือไม่มาพระก็พรมนาดนองมัดดีอ่องทำทานนะบหรือการมืวันหลกซอยกันกุญเกือบวมิเหลือทัดแจงชาวเมืองก็ส่องซอนาตาของเอ า, ามาโกาน ก็หวังไว้ระนาน้สาพัง ได้เิลาคำสุนแสพระก็พระเมียเพื่อความส่องกุมานน้อยเข้าไปใกล้จำสอยสองพระ อ, องค์ตอนไปจังเกินสวนกราบกวมพระนุ่มเนิวก็เ ล, ล่าลางเส้นใช่องค์เจ้าฟ้านามพระเนตรน้องไาย เจ็ดน้ำงูผู้อะไรผู้สิไกเมืองแก้วทำที่ตัดไปแล้วสิกลับไกกอ้อยช้ที่ตัดนามปราบนางมัดสินางก็มีแต่สิดันดอกกันเขาฟ้าเขาแม่นสิอ่อยอ่อนเบา้านางก็เล่าขอไป เพราะอะไยน้ำผัวสิสตัวสามก็ตามแล้วจังเปม็นเป็นเง้แก่ย้อมใจสบไยมิง่งโอ้ว่าเห็นใจจีงน้ำปบะยุกตกได้สิดขอไว้ตั้งแต่หลางนั่งมาซื้อก็คัดทานมาหลานอ่อนย้อไว้ ขอไปเพียรนักในวังท้าวข้าวแค้นแตนสิจนขอทนต่อเสบือดองดันฟ่ามิมุษตานเก่งเสียพอใ้ดวงเอาถึงสิวันเก่าหนักหลายลองว่าเป็นพรนาลู่ตนพระราชา อค์ปราอสงวนวารณ์มัติ์ยัยเธอไปตั้งหลายเรืีงน้าฮวาลูกโพเลียงสังเสตื่องจะโตลาเทีบใจมากกับพันยากขับไล่โมหัสามองค์พระยาลันทุพระเนตน้องมองวาน ข่าเอาสองล้านลาหนึ่งมาประมูกจูบสองพรางบ้างนางพระยาเจ้านกเขาเสียในวังหลวงเมื่อนี้ตัางกันสองสุขการทั้งเสนานังไม่กทําให้ห้อง ข้าพุทธเก้าอย่ลงไรฝังไปข้างฟังฤทธนาพระบาทเจ้าบุกเข้าเจ้าฟ้ากไปอุตรดีได้ายฟังดีได้นาจิตอ่อนสัตว์ดียชีวิตกระางเปลี่นไปได้ เบืองกันไปเอ ด, ดแก้วอย่าไหลลาฝ่าป้อยลูกทังคู่น้อยนอยอ่อยอุม้มซอยกันแน่เดิมควรจะดีโบการจนตาลอดเสื่องสามต้องฝ้าจางรุน้นใจเวืไอเลยเรียงแก้ว เสกะสะาลาแล้วแกลุ่ม่างตั้งท่าขึ้นพระทับรถมาาดอกจนภาย ว, ายว้วนนะคนกะแตกจรนจนบางผู้กะลอขอพรองโยท้งทานสู่ประการจนเส้น มือจัเส้นผ่านเกียงทั้งเบียงสิเขาา่าฟาทผ่านอดอดและ้ยมหลบมดเจียงภูมิสุเ น, นวนี่ลราอดว้างแล้วสองรอยเก้าค่าถาพง ผ่านกันจบลงตั้งแต่พรเพียงนี้แอบวังที่สว่างไม่เที่ยงวันฉันวากะสิทำนานาคือดังฉันว่าเล้เสิลงเล่บว่หลายนันดอกนามสั กวางสมนวนกวางสวนท่อนเวัดนพรัตนเลือเดทันเหลเทสนากาวทีงองพันฟ้าพระาเกันโนความบังอิญมดีมีมัือนแก้ว สามพังหมดตาลงกษตรภาพไฟจากเพื jump, Me, cry, er. ่อนใจสุดาเข้าแขมจะไม่แค้นตัวครับนี้จกแฟนนี้ละเทื่อนตา อาเนจ่าชีวิตลูกพญาจำฟังชิดเหล่าสงสานากระสันตาผู้ตกยาจากเด็กพอทุกข์หันสิจันใดจำได้ ตัวเจนิกันซีได้เดินติดฟงธรรมดามพระกุศลน้ำมิมัดซีเสีฟังอุตส่าหนื้อหลังกันหาจ้าเชียวงแค่ลีนอนยาภาวนาอสิซอยหุ้งจังว่าหอมบําบกกำทังหลงเดินท้า ทางจากสีพิมากับพันขนานาานน้าใบ้าหลานเสดจทานพระนาไม้เรียเท่ยวโคฟ้าองค์พระยาหลวงลำไหลหมองก็ต้องตาง ตัวที่ฟอมไปก็ฟัค่อยตามจากความงำดมเขากระเหาารื้อละยานเห็นคนสั่นจนไฟเข้มไ้กระทมไฟเอาสีเขาฝ่าไม่ประสุงทางสวนเสียคือได้ยินไหมเ่าเขาหวงพดอยใจนอเขากรว่าบ้านตุกังอักบองคือ Oh. าะปลื้ไปแชทั hey, okay, okay, okay, okay. Okay, okay, so ้งใดเบาหอานมีเท่าควอมความวุนัุ่นนานอยู่ไกลไปบ่ไปแล้วแนืวุ่นวุ่นจจ้าไกลเลยไกลบ่เคยได้หนุนทองถร้ก็ลากระื่อเล้กับคนอยู่กลางปลาก็เลืล้ย่างไก่หก็เทียนกอ ช่วบ่มีบ้านเราหนักเก่าป่าพนามเสเวพนาทุกแทมสิทษบ่มีไรงเชื่อไปมากะเลยให้อยู่กลางไะเลไตตนดู้หาคนใหม่มาผูนนำตาไหลยคูพื่อทั้งใจ a m proud. เฮีหนาวียธนาดิคำจังเหม็นบซสอนน้อยแม่พ้อพ่อยกเลยงเราคำของเจ้าอย่าราคำหืาอแม่บอกเลยลูกแก้วย่ากวนยามจสายผักพ่อข้าวแล้วก็ย่ายเปลี่ยนสายเหวเห ทางงโวกเวียนว่าดอ่อนแหี้ยอยู่ลางผู้พากันอยู่ทางนาสูกกาบเว็นวางถ้าเงคนำแคบค่อยตดียนก็ต้องต้อยต่อทูกหลายเดียนเดียูกหลาย เจ้าพ่อมัดเจจอมนำทางเมื่อบางกันหาอานูลาทังไงอุปเทวนมน์อยู่กลางดอนทุกเวทเนียว่าพ่อยภาคบานมัดเจเาวังเงา องพระเวทแจมเจ้าก็าวต้อนมาเคลิ้มถูกวางกระมาวนเฮอยทุ่นเดาไว้ทนทุนไปดาบเศษนวลทวินนอกยาจุ่มเสือรักข้อมโตกตรมไผ่ก็หนีบวมหงส์กเมืองไต่เจ้าไฟกามนสคนเอากรดังดางบวชกายไก่หนีลม โอ้โหคีมานุรั์วันเห็นพรขอแต่ลูกน้องไทยกระใจตั้งเทียงยิยงตเสประสงค์สจต้อมั่นนนนามันสิ สีรันหมดรันดันไฟสามสิบยอดย่างเลยไฟหน่อกระซ่อยทางลู่ทางเจดตลานครหลวงภาษาละแค่เมืองบ้า t ในเชียงข้างวันไฟก t อนสั่นด่วนดอกเห็ดดงผู้ที่ลาดสงสันตาเจ้าฟ้าผู้เดินดันเจ้าเที่ยงฟัง พระยาเจตา ะ, ะได้มาตอนรับปราศใจ ส, สิขอไป้าระวะพอพระยาขึ้นบานองพระสันนตายจะไปเลยพอได้ดอกแม่แต่พระแม่เจ้าไปทุ่เรากะบอกขึ้นขอพักน้ำมืมอเลี้ยงสิตาลาไป ขอความใจลาชาผููวงสัมเงาองพระเลชาจะจงเช้อหนาวเจตนางลาพุสธามารสิรัได้นักเครื่องจะดังกันทถูกระวางนนทานฉันเออกบำเพืน เห็นไปน้องไดังไกลไจงตั้งวันสิไปถึงหมางวุงกศกำหนดบวชบาลนี้ขอเองทรงติสังสวนเสี สระยาเจตระเบียนดอกไฮวางบัวกังขาตามพระไตรรัชพระเวทวงศ์รัมย์เมื่อไม่มากก็ควเกืีอยบริการน้ำสุปจนว่าหอดปากดงหิมะพระยามื่นดอกช่างเข่าสู่เขา ทางนั้นเป็นฟองเข่าดอกเกตด้านหกูกตังน้ยผ่านเกนตะบุดคลอยระวังหลังนามย้ายมีคนเข่าในเข่าไปบังเบียเส้นแท้จะทวเจ้าดอกคงเอาท่านซะญาเสดะลาจะฝามพ่อสั่งกระขึ้นวัง ยังตัดสันดอนภาภะมัจีสิปัม สามทั s s áng áng ้งหมูตาลางสออกยางผ้าแหงค่ำแคบด้วยนกเป็นหอยก้อนผ้ามก็สัเจ้าฟ้าก็เข้าฟ้าเดินจอนอ้อนซ้อนเลื่อมนุกบางเชน้มบางฟองเป็นนวหห้าน้อยตาเดียละดมหม่เทวควงจะ่นหั จังว่าห้อยมือไม่นุมเมืดบังตามปร่งผ้าเมื่อควันพักุมันฟองดังอ่านกระันข้าวเนียดเวทีได้มนฟ้าทั้งผู้ผาวนก่อนเห็นก่อนบอนที่เดินบางบอนเยือนดอกอมไก่เหวีหยนผ้าจังปีดเมรนุ่นเหนื่อยออกจนล้มต่อ ล่างจะตกถึงห้องนาท่ทานลมมืน่นพาคกันหาบนตื่นด อ, อกเบือนขามแกงชนพ้นจากน้ำก็เข้าป้าไผนา จากัวน้าเรี e o, ่ยนกต่างประสารเสียงห้องนกเขาท้องขันเกียงส้ำพันเกี่ยวอยไปดูจูกรูเนี่ยสู้ราขันสูรสูขอมตักกรอกกัดท้าต่อประสารเสียง ลายสำเวงเสียงดูกระโดกควันหันกองนอกกะว้าวอยหวางเป็นพันนองจะหลับที่ไกรกัดเสียงดนุนเตมวันนี้หลือพีงบงบัดมันหองเจ้าก้องกันนั่นและน้ำแสนตาอยู่ บุกะล้มงูดังพระอินแฟงพันเป็นนื้อนูนเขากันอัศจรรย์ต่างนินแดงดอกไม้ขาวสลับแดงเขียวกะจีอนดดอกเหลืองแลกระฟงก๊าบ เหลี้ยวเบื้องหุมข้างนั้นเป็นสายดอว์กว่าลวงเมื่อทั้งคว า, งงามงับฮุดเลือดไปไรใจเชื่อนะมายืนทุ่ง น, นุ่นพีมันวิ่งยอย่างพอจังเมือนลำเตี๋ยนที่ไม่ให้ยประเยน การเดิมทางนับว่าเสียนสิพาอยู่อาใสพระน้าเอิญไปมาปุ่นแป้งตกแดงไม่ห้ามเปรนอนอนนานแม้นเชื่ห่างหลังก้างหลังตั้งยูเข้าไปดูอนุโนกเินแล้วเกินพระทั มีหนังสือบอกไว้ไฟกระร้างขันมาเห็นในบวชเป็นฤๅษีเครื่องกะมีวุ้นพร้อมย่อมถวายเอาให้ผู้ใจใสที่มาจั่แเพ่ที่จริงแพ่อแทพทุนแฟงไว้ผู้สูแนว พระเอกมิงกแก้วก็เลยบวชเป็นฤๅษีสัญญานี้ทุกวงกันโบกเกียวพงการตองเน่าสาลาคนมองมันเสกพองอุปถาหาผลม า, มากูกไม่นุบมันดอนฟันถาวา นับว่าจบเกียร์คายวันพระเวีดเนติตาหาสิบเจ็ดพระคาธาเสว้อาวสันไว้จบข่มใครตอนนี้วังที่ไว้ีนก่อนขอพระขวาไว้แต่เพื่อนสำเนาพระวันคอยเอสว้ก่อนนั่นละนะ่า แสงตะว ทุกัเอมันผานการกวงจนการทวงอาเจันทานขันบทที่นำตารเปลี่นต้องคนเย็นทุกความให้ วันเสทอนไทยด้ผ่านังจากมุริวันดับประเวณเสือรทาน า, น, นาวก็ ใจ nhau nhon เทวดาพรกูณาญามคไงฮวัพรมังฮวันควองครังมัละล้นพวดไว้ยังเพนสมเครื่องเวียนเศษเ็นลันสีแพนไม่สีทุกขังก้าพรมางนเทวัา เมืองอว่าสุวรราคำคำพามทุนทรคณามางัำลิงคังลานเถพฟงจางทาวันาฮันดุนลานคำภูริสานทั้งหลายน้อยชนหญิงชายคงใด ขันม า, นางฟังท้องเงานอนพ้นว่ากิ่ตายไปเป็นนูเข้าหอมผู้คนสันทั ง, งอันดุ ล, ลันสัมบริสารทังลาย นอนแล้วชนีิงช้อยฝูงใดท่านมานังฟังท้อหีงยงเต่าเพิ่นวาสิตายไปผิดกรอบเก่ผู้คนการท า, ทาวันดูแลสามภูริสารทางลายนนท ลานชนหญิงช้อยหนุ่มนางมาทำบุญยานได้เห็นนานเกร้ามันเสียนได้ค ว, วามผู้เท่านันละมก่อนชิงส้างคือรังนั่งบำมพ็ญกันดาทำบุญเทศนาเศร้า จึงได้ผ้าผู้เท่าเท่านั้นละมาก่อนจะเชื่อติดทูกนี้หมดได้เขียงให้เห็นนาผ้ามันติดตามบนได้ขาดเพราะฉะนั้นนงปรานเจ้าทางหลายอ การทาบุญนาาให้เห <amos> <in> ็นหน้าส <im way out> <to> ีชมพูชมแตงสีได้ผัวผู้หน่อยเมียผู้นุ่มมากอดอ่อนคิ้งดีน้ายมนาเอาละถึงกันหา ฟังว่าจาสิทธิ์โต้ขอเรี้ยงชื่นพี่น้องกันดับทรวองอีกครานงฉันสิได้ก้าวตานถึงกำเนิดชูชุกสู่กอบกุ้งล่งคีเล่ลายไกย่ทอง เปลี่นนี่ล้มภูมป่าเหม็นกลิ่นโตกรอกกิจกิการงานมาห้องเาผู้เดียวฝากก็ฝากเบี้ยวเบี้ยวดังก็ยิ้มหูเอิญตากะเล่นหูกะกางกระดูกข้างเลื่อวัด จากมันกรรมยังนา้าเป็นมาแต่พัดเกิดกำเนิดมาเดือดร้อนเครื่องควมพงังจะกูลฉันสิเราแต่ผวนเข้ามาอยู่ในคันแม่มันฝันหน้ า, นาพระลาดใจจวนบาง ฝันวางกินมากว่างหมดเจ็บบุญจนทุกงไขลาบเลือดไก่หมดสามสามมิเลิศฝันนั้นกะบ่พองลาบเลือดงัวหมดตั้งสามที่หมาย่สดจนหมดแปนนะ ตื่นขึ้นมาก็เลยหิวคิดอยากกินบ่มีแล้วเนีว่ามันมีท้องเห็นดันได้ได้แใ่อยากน้ำไลไหลยอยากจ่ก่อยดกซอยใ่ใ่มักน้าแม้มันแก่นปวดลาว่าทนทุกข์ทรกรรมเป็นน้ำแน้วสูรากายดกเพีพายอยู่ในท้อง เราค้องตนที่ตายมียนสิบเดือนจวนที่คอดแม้มันเจ็บปวดทอ้อเ ง, งออออเจ็ด เ, เมื่อแต่วันหุ้มพอเมื่อมันออกพ่อนแมเลยข่างใจตายเกินเป็นใช้บ่คือเขาพอเด้เอาไปเลียง ผู้ไก่เคียงบ้านตองจับใ บ, บอุ้นกอดหอดว่ากาเขาเขาก็มเผพฟองกะไม้มื้อแมนไผไผก็ได้เออนว่ามานุษย์อับเปียงเป็นกาเลือบพลักบางคำน้ำตองพอมมันผอมพลี่งข้าวเดียวกตไตจาง โอ้เด้อหากเป็นผู้หญิง่าเอามาเลี้ยงต่อไปอยู่ต่อมาผู้หญิงใดไววเขียบสงคาญตาย้ายลุยสงสารในลบเบาไปเลี้ยงเที่ยงว่าพ่อข้าวใดตาย้ายกับหมดหมอดพอดพ่อลุกแม่ปางผู้มาเลี้ยงต่อมัง ทังอาวามุ น, นั้นเคือ่อยยานกายโลหิต เ, เขาเกิดเสียชีวิตนงินจากมังไปแก้มผู้ดใดเอาไปเลี้ยงก็เพียงกันตายแจ่บอกตัวแส่ผ่านพี่น้องดกสุนเศราเจ้าเผาพัง นับจังแฝงมือนานมันกะลงจนจัดแฝงใส่อยู่น้ำวัดมูพระทรงกะทรงอหอนทางพระคุณกะเลยให้มันนี้ไปบ่เลี้ยงต่อกว่าแต่ความเดือดร้อนพระทรงหอนบ่เถอกันนะ มันก็นเลยโดนด้าดอกขวางเทียวหาขอลอกไปตามข้างนี้คำใสก็นอนหนาขอขันดอกผาอื้ตราเวยบาดขอเธอนั้นเธอหนี่ก็มีเขินมากลายไว้ก็กลายเป็นเ่าหลังกางเล่าก็เลยอ้อนหลังก็โคดแอ่ก็ควง กุงล่าคว้าแตะหลังเงื่นกรหยัดใจบารลอยกระสาปภัยทั้ง่ายไปพายมาคิดอยากหาบ้กเก็บเมียนเพื่อนบ่ดีสาด้วยถึงข้องสวยโจนสิแง่งแง่งไปฝากเสียวไว้หลักษาให้เบิ่งดู เทียวกะลืวยบ่หูสาเหตุหายนันับแต่มันมีฝ่าดอกพังไก่ไล่ลวงควางทั้งพวงมองเก่าสูญเสียพี่ฝนเคยมันมีเกิดทุกจนลุยเอาเหันมุ น, นดอกพันใสดดอกใจเกียนจนว่าเมื่ออดเสียนลอยกระสาพเพินพาม มันมาถามเอาคืนหลดมือมือยงินแดงข้ากล้าด้อเข้านี้บ่มีอย่างสิทแทค่าจึงได้อมอบกระมิตรตา้แก่ชู้ชบเท่าความเบาหลดบ่อมื ข้างเกิใจระบัดเนียนคนแก่ได้เมียสาวฟ้าผพาเขื่อนเคหาก็ตูบตองมองมัวพวกแ้นนหน่อยดเมียเพ่งบได้แดงแย่งได้ผาาตูบหน่อยบ่นคือยังก็นั่งน้อง จังเแก้วกำก่อนนางนาดมิตต่างเขียเดพูดมิดาจังคอยม้าบอกเขียดังนางกระสักี่ยให้เหลือใจ จจะเห่บอกเคยขาดวาสนาผู้ขาดสังมาต่อยตัดเดยอดจะจะกินแกงหอนอ่อนซ้อนได้กินแก้วกินอยากกินลาบก้อนผันมาพอนแก้วกับปุ่มจยได้เดี ยาด่าเดินหยอดสูงผู้เคยหักเนื้อยห่มือเส้นสะตาบดสมวังจังในพังทลายมางบุญบุเพ่งสางดมภาพผู้เท่าแก่เอื้กับคุณพ่อแม่ผางิษส์บุริน chứng trăm hay đây v u đoàn anh nông anh cả thai ตาพ่ำอมผํานาทีพันระยาบ่อิจนาละใจว่าผู้ใดเสหวัวลองภาพก็พ่พอใจด้วยสเนยสน่หาหักคอซ้ำละพอกับลูกน้อยแนวสิต้อยบ่อยเมีสูก่การในโลกนี้ว่าเป็นยู่นัมพัง ไปก็สาำส้มแซวซึ้นกระใจหวาญ่ามจนว่าพร้อมชาวบ้านอิจฉาอยากคือห น, นีเลยไปดาไปปีเมียเจ้าของอยากใครได้คือนางไทยอามิตตังหญิงชาวบ้านพร้อมนางพวกถื่อนดากูลาหนราผัวตนบ่เคยปีขันบ่มีนางบาง ผ้ากะลุมไฟขามิตาอยู่ลิผ้าทั้งพลอยดาเสียเงย ย, ยิ้งยิงถอยตั้งเด่นคอดเสื้อมึอยนาแขนจึงได้เล่นมาน้ำเขาเอาเก่าผีพ า, ายผู้แก่ไก่ไม้บอง บ่มีบ่หนุ่มแนนผู้เป็นแฟนสู่เก้าสางมาเมาผู้จังสีนอกลุ่มทาดาประจานอามิตรแลนนนบ้านได้ให้ชมสีลุ่มจับผ้าหูกตับเิ็นนางผู้หลังทัวมาน้ายอย เป็ี่ยังพีงสาวันตาจงให้จมแล่นไปอุมไปโจมเสดนนำตาจ้อยาให้ผู้ใด้องต้อยเตี้ เมินนั่งจ้องก็คือยูดิดีอบอันเมินนี่เป็นยังช่างเห็นนาเคียนมามักยังมักยังภัยเห็นกังกลางเห็นแจวคู่ลือนั่งคู่เลือ เลี้วังเองแก้วคนเดียไปจงคนไม่จอดแม่งอดตอดเมื่อไงแก้วคู่ลื้อหินางคนเลืเลี้ยงวังเองแกงคนเดียไปจงคนไม่บาดันขาคบเมื่อคอยแก้วคู่ลื้อหินางคนเลย เลื่องวางเองแก้วคนเนีมไปจบคนไม่แต่กับแก้คบ ม, มือไปแก้วผู้เลืองหินาคนเลื่องเลื่องวางเองแก้วคนเนีไปจคนไมดู ผู้ยอดไล่ใส่มือก่อยแกว้วกู้เ ล, เลืออนางกูเลื่หรือไอแก้วกเนีสิมาทูมานังไงขนิ่งถึงสู่เก่านางเอ้ออนางเก่าบัตี้หรือขวาเจ้าได้ผัวผู้กวสิมาแยงญาตอา อามิตาก็เจงเราจะต่อผัวฉลาดและจะไขอ่ออกผู้พัวกวันเทาอาห่งงางันเคียงเข็มนั้นกลรงบริโตนั้นแมงอ่อนนั น, งง น, น, นกรรมบริปักกูนาเขาดากูนาเขาตีกูนาเขด า, าขดากูนานาพรหมนาน เออวางเงินหนึ่งนันมันมันจกแคนคูยอแลวสักบางกองกู้นักการเงนหนึ่งนาน หอมแดงแดงจอนจแลัเบีนออกใสคุยนันกาไฮเอนุนนาตัม่อนกอดังกอนอนเปนก่อนกนคุยนันแฮไ เอ็นเองนนั้นนมญันยานมันติตาพันล้านกำพันฟัดหลังบวนดังอักจนผุ้สมากงามารนั่นแหงหายว่าพระมือ จะไกลเลื่อนจะเหวุ่นกับดาวต่อแปเนียนะ เขาแล่น้ำที่เจ้าอยู่บ้านันมิท่าใสดอกต่างตียนใส่ซวงกูเสียงอยู่ยังดอกเทียมคางพางซวงขันบ่ยิกูเสียเืนเมื่อห่างหึ้สนบานพ่อแม่กูแล้งฉันเปนกูย h ạ c เกล้ามันฮุบเง่งมัน อมันหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหาหูหู ตั้งแต่ไปขอทานทูจินริตจวนบา้างขอท่าษาไปเสียหายย่าจะไปไล่ตงังทุกที่ย่างที่ที่สวยนั่งนองอยู่สบายอันว่าเขาและนามพี่สิตางตักเองสิลองเพื่อให้ฟังเสียงก้องนนอยู่ในมูห่หั อามิตรว่ายังยงบ่เป็นการยาต้านต่อเมียใส่ผัวเป็นกรรมก่อหากไว้เจ้าขี้ขานติครืนอบ้านจบก่อนไง อันนี้หลายตาพร้งได้ย่อยจก็ไปฟ้าองค์กดเพื่อที่ขอสงสีที่โยดงพงดาวหันใจเห้าใจสั่นขันบ่ไปญาติเมียจากออกฟ้าเอื้นตั้งนอนในนวลใจกว่ ไปสิมาหลอนขึ้นแล้ววันนี้ไปสิร้อนมาคือเรกไม่างยอมค้งเจ้ายายนั่งใกลก้ดอกทายให้แก้ม ให้เจ้านอนในอันเปิดตัวอันดัดแจมขันเจ้าปวดนอกบา้านกระท่อหน่อยขี่ไสเทีมเพ่จะเลิ้ยไปเทียมข้าวกลับมาให้มันเจียงอ้อยหอยย้ายสายหนุ่มหน่อยดอกมาเข้าห ว, วังยัง เพอสิเพียงเพื่อมาไว้ทายูนาอดูเท่าบ้านนาอมจุมจอมกว่าสุาิมอมดอกจางเชียนีคหะยังกับไปกับมาดอกจังเสียเสียฟา ขอจบกันบรรพบาทโยติกล่าวในกองเจ็ดสิบเก้าบทตอนบานคาถาผูกนี้สลงไว้บ่บ้าลายนันดกน้ำาำทหานอย พร้อมดำรับพรอมทั้งผ้ากระเสียงเป็นสมเนียงสมนวนผากิซาเสียงแลงช้าดุกแลประพันเพลิโดยพิมพาพยายหังเสดเลือกเสีเอามาเล็ยนเลยเสียง บัดนี้ฟังต่อเนืองมหาฌาณที่อกจนละพุทธิย่อหยุดเกศสนาจากก็กล่าวถึงตอนพรมเข้าพนาเข้าดันป่าถามมาฆาเพื่องบานและทาหนังฟังเชิง ไปหอดังกว่างศีทนาคุลีทางถึงบ้านพระเวทย์ยังพระนักแม่วังดีเอกอนดินและทอนไม้เขบาดนำบานสงสารพวกรถชูช่อหกสะานติดบาน เสาลำคามสี่ลุงกลางพระมนาเกจใจตางขาขวขางแลนเหลียนที่วไม่นันบอนไปแกกระมาคี่เดินไปมากทันเป็นยุบเดินทางไก่บ่หม้สบมันเพียรยุบเจ้าบาง หมอแก่าการตองส้มผ่าชีฟ้าขาวสีเที่ยวทองผุมเพศยรเพ่อตองหากของผ่าดังเชี้ยเกียรติตเพียงพรนีนกเถือเพียรชีฟ้า เ, ท, า เ, ท, เ ท, ที่ยวอาบทาอุนทบนสดือดไปในดา ข้าวนั้นสมใจเทาทมเขาก็บอกทีเป็นเพราะปัจญาดีทั้งัำเก่าเีสั่งลานันจอูจ้จางเม็นสมมาตมุงแล้วดันดงไ่ฝาน้อมถึงเขาหอมบนไอผานเกศธาหัง เยตาภาพบวนูว e ่าสถุสิหลัดดามไปเจอมาในผ้านโตกขมะนาเตินจนลงเซอร์ขสัสายมาในผานมีเตอตัวให้ยห้เส็นใส่พอปันเสือหัวใจเพื่อเมดรวังดังสิเป็นลง่มตอง หมากระเจ้าเจ้ยหวนห่วหูเมาตาฟักถือไม่เท่านีราสังลังบ่มีฟังเสียงหูหมาหล่สู่ต็นจังเท่าภาพห้องห่วยห้วยห่วยชวยแยกแนลักกู ว่าหางมามบางดัำขาบส่วนน้องอดดี้แรงจอนทุงล้าให้ภาพจานตายสีนหอคือเหินต้นหน่อยนั้นกางคอวรคืนตอ้นสนนั้นก่องหางเลยเผิดคือตอนต้นกอไม่เ่าตอบวังหาวาสนาสินาสิ อานิจจาพ่อเท่ากะลลนินลาภญาติขึ้นไปนั่งกะบันได้วอนไหวจงพูนอ่อนพระเวชสันตดอนถึงพระองค์เรอยู่พวนพระคุณแพร่ไพสาลแน่ทอ เพด่อท่าจารมาเถืองพพระผู้เยนเจ้าข้าหน่อยเป็นคนเผาสมควัตายย้อนไข่ามอู่ิโนยายตายย้อนมาเดชะนาเดขอนัญมฮอให้พอนไก ต้นน้ำนพระอุงแนพระ แต่ต้องลวงหยางมาหอดที่ยงเสียงจึงไปเปียนเตียงจีกุ้งทนุตรงเปีเรื่องใส่อกพัมเทาไม่เอาให้มุดมอนเทาพัมกอดงาไม่เอาอกหนาใส่แกะอวดโน้ ตายคกแท้ต้องล้วนล่อไห้มันกว้างต้องใสหัวกันยาคุเม็ดในสมจริงแจ้งอ่านดั้มแดงลื้อหัวค่อยเสี่ย้อมคอยเด็ดขาดหอมตะวันว่าเฮยเฮยเฮยเศ่าเฮยยาสีเง หยุดยุดเออหยุดนิ่งนี่งหยุดสะกอนบักตาขาวฟังเรื่องเล่าสะกอนแม่ยาสะแน่มานีมุงให้ดีบักตาใบกูเป็นไผ่ึพ่งหูบอบักบ้านนอกบักตากกา์กูนี่เป็นทุตไทยพระยาธาตุก็พามอ ขันมือเฝ้าบ่ราู้เลื่องเจ็ดตัวโค ต, ต้องชิบหายชูต้องตายเมิดสุงโทษประหารยิ่งเฝ้าค น, นจังกูแม่นไก่เท่าแต่จิตใจกาแ้่เมิดประเทศแขกแยนพวันก้ากแม่นกูนีแ่แหลมมึงอยู่ป่ายังสิโฮโู้กูสิบอกเอาบุญองค์ จอมคุณพระสันดอนจากนครดวนแล้วไปกระเซ้าเซ้์เ อ, อิดจากทุ่ชืชินในกับดาวกวนิลัดตไปเชิดทานทาวให้กับเขาสูนาครนัวจึงใบรีบร่อนน้ำราชสะจตราตามบัญชาพระสนใชัสิดวนไปเลี้ยวล่อน มึงอย่ญญาวอนหาเรื่องมึงเอาสาักตาแตกบังประเด็กจบงัดง้างส้วางให้ย่อนคว้างพร้อมได้ฟังตลอดตัวจนตัวกันงักงุกตกลุมพร้างชูชอก้องสั่งใส่ลายบา้าปโอ้เด็กนู้ ก็ใช่ตาทานห้านคนดวงบองหอนย้อมผูกหมามัดไว้แล้วกหาไม่ไกลกือ เกินไปฆ้าละาเอิน้นเชิดมานั่งปราศัยขอให้ที่ลานพียจงปวดภยัยคราวนี้พรพมในที่ก็เลยยามมึงมีกรรมประมาทผ่านกราบบังสารจังสิเสียนไปให้เธอเดียว เหลียวเบื้องในผ่านกาขอขม่ า, มาบังประแด้าเท่าพับแยกนายุ่งพุมเบื้องขักกระจนี่แหละเพื่นก้าไวไปไฟฉลาดทำขวัญเมียผลชเชิงเชายอมเบี่ยวตัวพน ข้าวอับจนปัญญาใจดังเนิ้นไปถูกเที่ยวตัวรอดเป็นยอดดีคดฉลาดได้ยุบ ป, ปวดคดงอเป็นเยื่อขอัาผู้ดีบ้านนอกเพราทอจิตคอบในเมืองครับที่พ้นก้าวานีจังแมนเป็นเจียงเท่าภาพเลี้ยงเละเห็นคู่ประเด็นคำตาล เสียงในพรนลอยเอานห้เนาเอกจักวางตังในาลานด้สดใจ ท, ท, ที่เกินล่วงทันตาหลานเสียไปเที่ยวลาจะมันฟ้ามาเทาวายย่างเนื้อ้า้สารพัดนั่นสู้กินในเต็มพื้ง สิกินกวางกินแกงแนวใดพ่ออึดอยาฝฟัใไส้ทงเนื้อย่างทางหนาได้อยู่จิตนะพามได้ฟังตลอดเสียนนำไล่ยอยากกินไล่ไงทั้งอยาตายบัดเขาเห็นประแดกมองังในบงัง ตาเป่นใจโบนาย่างการจำเป็นตาต้องผ่านราช ก, การเพื่อใจทสิมาเรียนอยู่จังใดจังว่าการไปหน้ามันยังหนา้าเสียนยาน ล, ล้อลำพวัวมากว่ามันสิสาคำท้อ ขอให้เจ้านั้นนังบุญบอกทั้งสิบไปขอขอบใจที่วันเดียร์ต่ตาเข้าเนีโอกาสมีวันหน้าเข้ากลับมาสิทุนทานในรางวันแก่ลานราชการรับเต้นสูงบังบาเดีย แก่ตาบูรก็จึงแก่สีบอกราคาจนไปถึงจุดตาทำผลืดสีท่าให้ไปนั่วน้ำตานถามทางอีกต่อยัอยู่ไก่กระดดนดอกไกลาทานดันดู เด็ขอพองลวงไววบนฟังไพรสีสองจบทั้งน้องวาดวันดอกเอวกอดที่คู่อันจนละพ้นมดม้วนม้วนมาม้วนกันจังใจมหาพ้นชมไพรต่อไปจังฟังเลื่องจูบทำเนียงเพียงย้อนจนละพ้นพ้นผ่าน สามสิบาค่าทราจานดาวสารพระเวสิลองเลห์ก็ ดกเทนิทานไขมหาพุชุนไทรดาดาดงกุ้าังหลังจะร่วงพานใดองพังไปตามซ้องมองเบืองเขาเล่าเงินเดินดันกาดุงเดียว หลัดเล่งเลี้ยวถึงแขนพระฤาษีพระมุนีทรงศีลืจอจุดตาท่านลาติการสีมายามสือริุคคอยต้องคำพ่อดีเมิดม่วงจิตเจ้าหอนผ่อนกาย ลวงเข้าไปเขตใตายไหวาทานพระฤก์เสียอันชุลีย่อยุกอังพิวันธนาหนอนจอมมุนีกะเลยว่าจำสำเนาสีดว่าดูกนพรรมนาเจ้าสิมาบวัวพีน่งถึงที่เรื่องอยัง ประเวทมาอยู่ยังกลางป่าพทนานีเมืองมาเพราะทัท้งทานสู่ประการมืดซีนมาถือศีลอยู่ในดาวดอมมัดีและลูกอมยังตั้งแต่ผาพอนุง่งข้าเคีงเ่านั้นแนวเสียกรบบอมี ยังนำมาอสิเฐานบนน้นขอสร้างบ่มีเมือง่อก่ออยากให้ดินฟ้าหรือเสมาขอลาสองคู่มาลูกทานเจ้ากระสงงนารานสิบวทัททางอยู่บ่ไว ภาาในเิ็นเพื่อนนายทูกประมาเสีสีสัมถุติฝ่ายข้างอาละ ก, ก็จันนุนวาสิทุกพระองค์นี้สร้างหูดีสอดสองจังเมนไพยถูกต้องเปงนมองบรพระซอง สรากจัดสร ง, งหาจิงมันแก้วพ่เป็นแนวเลือกโสดคู่คืนให้ยืนเสื่มเอาละเนื้อข้าวนี้ปัญญามีสีใสบ่งตัวเขาม้าพทธนงนีง้จากเสือมาพ่อแข็งสี่ดียกั็สร้างมัง มาจนตรอกว่านั้นบ่ได้วันเสี้ยวจิงคิดแล้วเลี่ยงเห็นทางวางเสียหาก่อนแก่แล้วจิงแล็ดูา้าจุดตาจ้องตอบยื้อตัวตรงปาาระวัติลงพระคุณเจ้ายาเกา่าจาง ฟังความผมสากรนายาฟ้าวางจากใครทาทุ่งเสียนเป็นชีพให้เก่าจากละวังบาง ผมเดินทางเขาวนี้บันช้ามีให้เข้าปา่าสใชัยองราชา้มาเชิญพระเวทเจ้าเดอนเข้าสุปรางว่าเมนผมนี่อ้างพวนปา่ากับคนเดียวนี่แล้วอาสาเที่ยวท้งหกจังฟางดงนาเพีย เจ้าสีที่ทั้งใครมีหลายแกหากหลายหลายก็หลายแกไม่ล้สิใส่ก็บบ่เมี ได้บักเทาผู้นี้ลักเดียวเดินเดียวเหลียวบางคนในมันคักยาสเสดวแฝงเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าสำน้อยมันมวลยาสเสดวนกวนเห็นว่าพระผมจังวายสิขอยังก็นั่งน้ำ ลู่สีนางหน้างามพอถืกสอรภาพกาบในตำนานกะยอมรับบอกว่าเทวาดาช่วยเหงจังเอ๋ว้ให้ภาพยังมียังกะยอมมอบผลพระลาบมาเอ็งกะยอม เจ้าสาวเกวียนนันรถน้ำกาถา ที่การพันเปลี่ยนฝ้าสว่างวิหารพระมานาสีเดินทางห้างพระฤาสีเท่าองค์มุนีจะเว้าพัลลานาบุญบอชตะวันออกเปียนทางนี้ทำไป เขาลูกน้มมีสวยขั้นธรามดวงหอมไก่จากผู้เขาแมนมหาณทีกว้างผู้เขาหลวงอยู่ทางนางเนากว่างไงเดยระดาบูไม่ตกไปน้าเสหยงอิน เวียนจากแล้วสิเป็นแก้ว เ, เห็นคือดังเอ็นผุนแป้งระดาดตาเนวไหม่สัตว์ในไพลยลาลหลวนสาลวนมากมูหมองนั้นยัวมวยจาควงควงสรวน ที่ว่างน้นเป็นมองอยู่พระสันดอนาอ่อนส้อนที่ยวทัถูกสถานแถวทีพรมยินดีได้ฟังแล้วกะลยลาตั้งพาขอบพระคุณหลวงตาคมกร า, าเพลินผายเสียสายอย่างเดือ ลุ่งจากเนินถึงห้วยข้าวสวยพลาดมืนดื่นสลดสเลืาโลกสุ่งสู่กุ้งกุยจนว่าได้ห้องอ้วยอวยอดเจ็บแอลโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้เป็นอลรสั่มเสี้ยวในสายทธงเพลือ เก็บเอาเองอย่าหวางผู้พันบังป่าแดงแงกเพื่ออาทิตย์กลางตะวันเขนดอกว่าสวยเกือบเสิมุดหมอดมวยอู้่วยให้จริงจริงขอผู้หญิงละนอกกหาเอ้ยก็แส้กู จางเล่นตันนาโอมคุ้มใจมัวมืดเปรียบเสมือนดอกม่วงมัวนมงบองเหี้ย เขาสิตายก็บ่เวีนดอกหูเด่นเห็นพระจัดสร้างถนอของมักแม่นสิตายก็ยอมแลว้วมือสูวเก็บเมียนเหลอมุนเมียนเพื่ อ, อนที่จอละเรียนเดินก็เดินเขาป่าพูงเพิ่งเขตส่องดงป่าไพหน่ามีหน้าหน้ากุกอกอเราก่อกรรเป็นสัน เทาวันเกี้ยวดอกเกี้ยวย้อยยอยย้อนเป็นมลิปิงตอนดอกยอน ua ก็ทว่ดนดอกดุดวเดือนดาดูสวยเส้นนุสาวพองจวน จันคุ้มนะงข้อนไขกนทิ้งไขจนมมาคาคุ้มขับคาเราคุ้มไม่มูคะแนนจนสร้างนาวเรแนวมูสมุนไทจังเอ่งพวยผานันป่าเกลี่ยเป็นปุม อมคุมหอยกต็ต้มตีงสินตัง้งอุ่นต้นแต่นดอกหังมิมกะยันแฝนแต่นตะาฝังดอกเวียงพัวพูมาเล่น บินบยบนดอกวายวงเวียนตองตอมตามใต้ต้นตัวตาดีแต่งต้อยตองดอกบินใต้ก็ต้อยตองตู้ขมามเป็นพัลมคุบพังแต่มมือขวาตบก็บต้อยตาเต็มตั้ง แต้มต้องต า, าพ้่าตอด ต, ต้อยตาปวดเป้าหนุ่มตึงต่อทอมัตดตัว มือหนึ่งโงตาตุงมันเตะกอดมือหนึ่งออมามาคำเบิ่งตาแต่นตองภาพมโนโลงหา่างหายพดช่วยนียแต่จังไรอัพที่ตอดว่างอินขู่ อ, องนี่มาต้องตายกัตา บ้าอยากล้าไปลายอย้าเวลาคุณนเย้ยผู้อยากฟังกันน่ากันสิจาหมดเชียงอันคื้องไฟไม่ฝ่าพันละนะบ้าทวนก็ล้ายลวนมากนี้ เพื่อนฉันได้ก้าวขี่ดอกอื่นว่ามหาพุนแปลว่าแนวไพศาลใหญ่มาหันพันซุ้มสาธิดุงแดนนี้หมูมีชันีป่าทางหัวควายสร้างมาลกมาเห็นก็มังมือมากมูเก่งลูกควงฟ้าเสืยงเสียงหัสรีลูกดกไงป่านไผาสร้าง บจากน้ำนางใหอตามทางพอพามสัตว์ในป่ามาพามมิตรการลากลอนอกจนเดินอ้านบองไวส้สู้ศกเขาพ้าไม่ดกมุงใสพระสันดอษ เถืองยาบนน้นก็เปลี่ยนแฝงอูทุ้งปลายไม้จังว่าไหลวันใดแต่เดินไฟ ท, ทวนกี้ตั้งแต่จากฤาสีในเจดังผาาพวนเกิดกถึงมองฟองหมายมือนั้นพร้อมหลวงใหญ่ดอกอนเดินเนินตะวัน อาจจะจำงามงูดดังพระฤาสีตางพู่มสะทานเทวาหนี้เกี่ยวขัดจีดอกไม้ฟ้าสีนานาหลาแยงดังอินแต้งแต้งประดาม เหลียวพวกอทางนั้นน่าเป็นสาดอกวัวหลวงเมิดทั้งฝูงคือคำดังพระฤาษีว่าชคของเราจริงแจ้งบทเสียงที่มนต์ฟ้าอ่อนั้นแม่นสาลาของพระเวทแน่ๆนุกจริงแค่อิ่มกะใจ เมื่อนี้เข่าพ่อได้ตะเวินบ่ายผิดย้ำเลิกพังา้ำล้อวันหลังจังสิไปตอนเช้า ตอนนี้นาะงมัดเจ้าสิกับมาจากฟ้ามันกับโกเป็นตาลูกกับแม่ยูฟามีหวอมไดก้อ็จังใดมืออื้นสอยนางเข่าฟ้าไม่นกสากกอนจังไฟขอบอมีแนวขวางขอ้อจังสิลอยมันแจงจึงจัดแจงนอนเล่นเย y ên y ên, ็นเย็นๆทามือไม่ สองกุม้ารสางลูกไก่ลอยเพื่อเพื่อนจะต้องได้ดกดโดยเธแน่นอน จบบทบาทที่พักหอนก่อนไว้อุติกามีแปดสิบประฆาฐานเสวยปุ่งลงเลื่องมหาพ้นสุดเสียงจบทรัพเนียยบัดอดดามคอยถ้าฟังกันกุมานาอัสารภาคเวียงเล่ God. สิทธิ์ต่อขอเรียอนชื่นทุกท่านสนดับขอภาพแสดงกุมันกันนี่ก้าวแจ้งบนน่างนาฏมัดสิฟันน้อยยุบันสาลาแปลกระรกตาเพลือพัง นับจะมานเนาอยัางภูมิพระนางทำเตือนได้เจ็ดเดือนผ่านเข่าพระนางเจ้าอยู่เริมคืนนั้นนับฝังเลื่องล้างนิมิตสังหอ น, นอน บ, บลาพนห่วยดอกหันหงนนกจนลาง บันเดิกมาชวนแจงจังฟันเป็นประหลาดต่างล้างยังกระบอกหูเห็นหมองป้องไข่ฟันมาไกลมึงเดินเถิดดาบคมแข็งจะบาดแดงทุ่งทัดดุใสหูสู้กรรม เทนะข้ามเก่ยียนสัมผิมันอาสุนบาทเซงดาบสั้นปาดตองมัดสีหองก็สัมสยัยสามสินุ๊กน้องหวายมันก็บอกห่าสาง ตัดผ้าของนางเลือดกระเซ็นเด่นฟ้องมัดเสหลงละมอทักพระไทยสดุ้งตืนของเสด็ลูกเขมยังเอือนก็สันสาต้องสิเป็นเหตุให้จึงแบกต่างคำฝันเลยไปหาจอม่านพระเวทองค์วันอา ให้ทำนายดูบางสิมีลางอีหยังแ น, น, น่พระเวทสุงศาส์แทมขันสิแก่กักบอ่ไหวผู้ที่งานยานบ่ได้ก็เลยเล่าอัมพางทรงสารนางจะจำเปลี่ยนระว่างเลื้นความกัง โบเป็นอย่างรเบิดล่าเพ่งฝนตาอย่าได้วันเป็นน้ำกันถาดนองมัดิลางแปลกว้างคือได้สุขอยู่ล้วนสวยลาดฟังปรามบัดนี้มาทนทุกเที่ยวหาพาามัย ใ setting, mesela, Film, room, ete, ้บ่ผูกกติต่างคือหลังขังแต่ก่อนบ่เป็นหลังสังหอนหากเป็นธรรมชาติเดกทำใหม่แปรปวนผู้ทุกชนถูกถวนล้วนสิแป่แปรพันนะไผก็ฟันโลกนั้น ยาห่วงเลยบ่มีฮอนนอนบ่มันบ่มีนางแท่งฝันตาให้คิดทีอันฝันลายกายเป็นดีเจ้าเสือมังหกไมอันควาไม้เห็นเจ้าบ่เห็นอันอกนา มันเสี ขะเม่นสังหอนใจอวอนกะนิงเกดในมิตรฟันบ่มีแล้พ้ายว่าดีก็กำแล้วพ่ดีใจมัดเสียจมกับอสมพุกลูกลายสงลางสวยเสี แจงมาเลวบิดเหนือแม่ที่จากสองล้าสเสวียนหัวมันมูพนพลาไม่ไปโบกไก่ดอกวันนี้ใจพอดีแม่ฝันตั้งกันหาทาเจ้ายอนกวรไอเอวพิสัยจากเล่ เจ้าหากเป็นพว้อธิเจ้าเบิ่งกันหา่างญานิไกศราพินสฐานแถวนี้มันซื้อน้ำสองหลาเพ่งควันตาไปฝากพ่อประการ์ ย, ยกน้อมประจอมเจ้าให้เบิ่งเงินเอน บัดนี้ป่าสว่างแก่งน้องที่จากพูสะทานนะสองกุมารใจใจให้บิงแยงดูช่วยผู้ข้าด้วยมองมัวใจมัวบ่คือเกาให้ลูกน้าอยู่รวมเจียงกลางยางป่าเดืพเดือ ว่าแล้วบมได้ทราบไพกะตาถือเสียมเสียมตัวไปในไพเพื่อแสวงผลไมเดินลงไปเพียงหน่อยเดียวขึ้นคอยเอื้นสัง้งทั้งคิดหน้าคิดหลังใจเวังคิดคนไหว้วนบ่อยอยากไปโอเดโน y u con đầy l u o n sự hiểu em thằng yết hối anh hiểu đ a n g từ khiếu lũng tam móng bưng h é o neo mày đuống thấy cả yết o n c h ò n khâu về lức lâm thả lâm khâu ba phai เด็กใจต้นมากไม่บ่นเคยทองเที่ยวหาสุวรรณมากำลังสุขดกหอมเหลืองเต็มต้นบ่ท่านโดนหายเสียงเฟื่องไฟได้แต่ออนค้อนกระเสือล้องมนดกหาต้นต่อไป ต่างควมหวังว่าสีได้ใก่ใจว่อนบิดมาเห็นโอ้เดือดมเลื้อยบอบเป็นตาวดอกน่าโล่มเต็มต้นน่าลู้ต้นมาสิเดอุกสิเพย์ยืนเ้านังลงกอดหัวเข้าเลี้ยวบ่งต้นมากว่างยิดลลาอ่อนลา องว่าอโอ้ยโอ้ยนอนี่เป็นยังสั่งมาสวยเอาจังตั้งแต่ไหนวันนี้เกี่ยเด่นช้าลี่หน่อยกันหาค่อยถ่าอยู่นามตาขัวลังโย่เอ๋ยใจละหอย ก ว, ว่าแสวงหาเก้าถึงตาพัมลุกตื่นภาวาตาเต็มแสงตะเวนใส่จาในเวลามาหาลิกษ์กข้อเหลี่ยมพุณเพียดกเตียมเข้าสู่ของวัยฟังย่อๆพ่อไปฮอดพระสันดอนพระนุ่มก่อนทุนขอนนอพระองค์ สองน้อยเพิ่นไหนคอยมาตีด้วยบ่เอ้อเอือแต่พรมบ้าลูกกอดชังกอดขาจ้างกะทานบ่ได้คันเสียงไ้กะยาน้ำพระเวทว่าจูงขึ้นสู่บานผู้สิไทยสองเสิสิมังนี้พุ่นผลบ่ทุกข์จนจริงแท้ นั่นแหละที่ที่สวยแยมถึงอายาเท่าพรมเก่าโทษ ด, ดันแหงปวดล่าคดีรอลักล้างอิตาพาพขัดขาาหนุง่งพ้งแหวนบอยินขัดปรงพระเทยจริงชัดว่าสธรามสองลาม พาม เ, ล, ล, เลียวหลังเรียวนาสองลาไปใส่นอวางหันยังรับรองเล้วมาเยี่ยมก็พอรู้มันก็เลยบอก ว, ว่าสองหอนไลป่าไปซ่อนตัวอยู่ในสาเหตุประกว่าเก่งยนัน ภามันผ่านหนาเรื่องกระิ่งเสียงคู่พระเวทว่าทำเล็ดนักเกี่ยวสองเลี้ยวก่อนนี้บ่สุมใาตั้งแต่กี่ยว่าพระเวทใจบน่น พระจอมคุณสันดอนจึงก้าวแจงแถลงตามเฮาสะท่านจริงนาสินำมาหมอบทานลูกของเฮาอาจสิยามจึงพันตรองดกกรนตงวผาอยู่นี่ละพอส่นคอยสิคอยนำหาเดี๋ยวก็มาบทานานสิมอบทานจริงแท้ พระองค์เลี้ยวอื่นอื่นหาตั้งหลายญาติลูกทั้งสองเจ้ายายานหิบมาเที่ยพอมาตามห้อยสองลูกลาหอดสามบวกาลนีห้อยกันหาชาติดอกแลมนี้อุ่นเจียว แน่ที่เลี้ยวอยู่ในเนีย่ยปัญญาดีชีบุงผ้านองถอยหลังลงให้พอเห็นว่าขึ้นแล้วโอ้นอกแก้วฉลาดเรือนะโอ้เรนุ ก็เสื่อสัตว์โลกทั้งหลายยอมกลัวตายเอาตอนไม่เหล็กหนี้ลบหลีลูกช้าลีกันหาแก้วก็คือเดียวเอาตัวรอดยอดดวงใจพ่อนี่เอ้ยข้าวนี้บ่มเหม้นตาง โลกยาจิดยากหายซอยพอเพียงประเดี๋ยวโอ้คำเออคำที่เทียวมาเึงดนั้นบ่หังกะคงเส้น ในยินเสียงพร อ, อันเอื้องขอเลียนเชิญลูกทั้งคู่ลูกกษัตริย์ในตสูงโด่เข็นหัวคู่สถทามสองในยินพ่อตามยานสั้นขึ้นมาหากว่บาท้าพระบิดดอนตกกาวนน้ำตาหยอง ระเวทออยสังลายะสุขกายหัมตกวางเวนวังคำมเผยกันิบพรวนให้ทนการ่าวัไ้นันทนามลูกคำ อนข้าวนันวงแก้นไทยก็ทานลาดก่องเสียทั้งชาวิกันนาก็เหล่าทัวมาน้อย สองก็อยหุ่นให้นัำหลังความไปเหยื่อยเมื่อก็เมื่อยบ่ได้ความเท่านั้นแกดึงจังว่าเครือพวกเถืงดอกเพื่อนทวกทั้งเตี๋ยกำเวนนี้จะฟังใดเรียมให้น้ำกวน น่ารู้ตอนสองลาเฤาจงทุกสองโชคชาตาต่าต้อยบุญหน่อยถ้อยผลามเกิดเป็นลูกเจ้าฟ้มยังได้ทุกข์ท้อระคำจาต้องมาให้ฮุนดังผู้จนคนให้ ทวามจังไรบอกมีเวนหนักเวีนกรเแท้ากก่อนสองบางออนตั้งแต้เกี่ยนก็เคยกาทำผ้าไปกับบ้ากมมีคูกรรเวนเคยทำเขียนทำกอดอกตอกันเอาไว้ โอ้ป้าไม้สุ่มเสื่อจอนฟอนกับงูเฮาอีกากับนกเขาเ ข, าขา้าวเจนในกอ่อเวยงรยาบาทพอเวียนเห็นกันต้อยตบตีเพราะเว้ น, นี้จะเข้าวหลังดังามกับทองน้อย มันบ่อยสาแลวหมดแนวกระแสนำน้อยหนึ่งตาตตอยตองดกหินก่อนร้อนธ่านลาขาดลาดลวมข้างเก้าฟานกับเห็นจนว่าึ้นสะลบมิดหมอบกระแตะตามพื้น บาดวงูเงเขืนสองูุมานมิตสิรีขึ้นไปหาพระฤาษีตาชีโครูกางดกมึงหน้าบัดไล่ท้องเกตแต่เพียงเทานานขึ้นไปสู่พระมูนิเห็นสองสีกำลังสบกอดพระฤาีเจ้า ข้ามเข่าต้นเขา่าถึงองผู้ทรงแทนลาบสองแขนนอนล่างมาแล้วกะเล่าเตีมสูบกฟังัตรนี้กูสิฉีเถื่อหนังพระเวทฟังเกือบอดใจสิบอฟังขังงอน เห็นแต่ภาพติตอนสองกุมานบยันเดชเกิดกิเลสลุกฟื้นหือสิขาบกหาพามคิดแล้วตุกขมาขามสติตื่นขึ้นกับทุกปันใดสิทุลบพวธ า, าไปแล้ว เมื่อตัเียวสงหบหนึ่งบ่ไหวติงตังเตียงเสียงสองลาำห้ก็ไกเยืนหางหายทุกเป็นสองน้องอายเพราถูกเข็นเข็นหักพาแมงตีเทวีคักคอบว่าให้วนนอง ชาลออยประลุมนองอุตสาองยาให้หำตุกวางกรรมเ ล, ล่าละหลางซจ้าสิองกัเป่าไดายเ อ, งอง็ง้องห้เพินแงไห้า ย, ยับเถอุนทุนหวัวอ้อคำนึง ดีสิผัวนังเองบนเลือดน้องหลังน้องมออเห็นกันหายสุดใจสอื้นต่อกับน้องน้ อ, องแก้วบ่มีแหล่วผู้สิมองเกตตอพ่อกั บ, บ่อจองไอเขาจองจำมา เพอ่งพิงพระมันดาอยู่ป้าดงบ่ทํนโควงสัวตัวกลุ่มได้เขียนของไผ่สิมองอยู่ซอยพ่อแม่เจ้าและค่อยก็คือีอวกวามังธรรมาดาเป็นกาําแพาพ่อและแม่ตายฟัง อยู่ตามเมือนตามซานก็พอดูได้บ่ไม่ไปตีข่าคือกันหาเฉลี่ยพัมติดึงแก่สว่วนเมื่อพ่อแม่นก็คือดามดังบ่มีจะตุวเดือ อยู่ป้านี้ให้สุมเพศสงสารสองกุมารไม่มีไฟสิเพิ่งพึ่งอิงสอนถึงข้าวจนลูกขอไหย้ย่า้ตายภากพ่อแม่ได้กับเต้าเต่มได้เห็นหน้าพ่อแม่เคียง ป่านนี้แม่ผู้กาก็คงเล่นวียงดกอกออกเที่ยวตามาขอให้องค์เทวาบอกพระมันดาด้วยลูกความสวยถูกศิกามพระมันดา้ยมาซอยพอตาอย ข่ายังินหน่อยให้ตีตองแต่กระผมนีท่ทอ ผ้าแมงทุ่มทุ่มห้องยาจ้องห้องกวบ่จงสู้ต้องตายอยู่ในดงนขันบ่มิดเงียภไผ่ระวังไว้กูหนวกหูเอาละนักปราดลูกเส้าไ ว, ว้กวนกูมานกันยั้งบ่ทำมสวิตดองสวไว้ลงเอาไว้พามผาไปไกลเงินบังเอิญแต่วันคำหนึ่งลอยหนึ่งข้าถาทรจุกั ถ้าตา่างบอนพรำอย่างก็พรานไฟังมัดเสียที่ได้ใหายขึ้นสู่ภูมิสถานเดินในท่านสลับก่อนผาาปฐมอารมแหลม เป็นสำนวนใิสันเทให้เลีงเล่สิลูเลียงกุมารจุดบาทเบืองสิลุงเลก่นละนึกก่อนล เพราะอยู่กลางฟังอาธารรมากแม่เอ็นพอได้แล้วตาวคืนออตมา ว, วันห่องเขาห้อมวันผิดสองสามสัตว์มาแล็นฟองต่ำทางระวังทาง ล่าชะสีลับทางทั้งเสือควงและเสือเหลืองเสียงคำน้าเลี้ยวลูกกันแหลบเลี้ยงลินดังเสีเกินเทียนเตนเลียวดูตาคอบคว้มันซส้อยุดอยู่หนี่งขาเกากระบอกไป กองกระตามากไม่ประนมนอบวันทางกอมาค้าขึ้นกาบอย่างสตัมทางนองเทวดาเยุในห้องหิมมพาในสเาเพตขาน้อยนี้หากเหม็นเมียพระเวททานผู้เนาวัางอยพาย ไปเที่ยวหาหมากไหมถาทายธานโพธิศาสตร์สองกุมานผูผผ้โพยทาดก็อยู่ของก้อยตอนขอวิโวนในนิทางย่าสันทางให้เปิดปองสามพญ์พี่น้องให้นิมองปองสิบปา นั่ปิบปั่นมากไม่เค่องหนึ่งคันนี้โปรดปราณีผู้ทนทุกข์กสั่งแสมสัมส่เ ส, สืยยังต่ำทางห้องลาชะสียติอปากํำที่จึงหากแม่นเทปรทำแทนแปลงไรงทลัลทาง ยานมันเสพพามางทั้งทานผู้ทศ่สารจึงแปลงกายมาลัดบใยทั้นสอนน้อยมาเสกคอยใจอ่อนวิยนวนจนปากฟ้ามนุน้ํพวดล้าน้ำตาหยอย เราจะเอาลูก ขวงลงบายสังเสียสามมิเคกันเลยจังยกทางจังไปได้มาเสอไว้ว่าฝ่าข้อข้านกับของคู้ไจังเม็นสัยวยเงล่าขกันงี้แกวแกนสมองป่านนี้คงลดกอนกะใจอ่อนคอยทา้ง นางทั้งเดินเขนน้ำดอกแก่ช้กับปานนั้นจนตะวันแดงคอยจังเถืงดอยเก็ดดานสองกุมารลูกแก้วแม่มาแลวเจ้าอยู่สายแปลงฟาลาดนาไทยบ่อหนนอนบุดตาม กวอนมาค่อยหลับอยู่ด้านใดค่อยจองเมื่อนี่มองควาสายมองได้ก็มองเปล่าโอ้โอโอโอโอโพระนางเงาเหมยเส็นใจเต้นเพ ร, ร่ร้อน พอไปหอดเจดหัวหามกระตาฟุงอยู่จนเหนืไอยเคยหมุดโดดเงียบเงาเอาหายตายกูตายบเป็นลาไครว่าจะเอิ้อกูว่ามาเด้ เจ้าวมาหัดแล้วยมำวาลีสอนตอมนั้มาเสลเรียนควเอื้นเอยใครจาแล้วกับไปกับม้งสุสถานควาง หาเทาดวงมองเสาบอยเห็นเงาหลูก อ, อนหรือเม็นหลูกแลน่อนลบลีเจ้าบายบังหรือเจ้าสังสิยงอนหนาววานมันดาน้ำตาว่าจะไปฝ่าฝฟ่าวพันเลยสาวกกาทะเล หมอแม่ตั้งแกงแม่นี่แหงอยากขึ้นกามแต่ว่าล้างมาทับจังก่อยมาออกปานเนี่ยมาเสื้อลงเจ็ดเพิ่นน้่มน ง, มนงมาเสื้อลงเจอเจ็ดละมือเพื่อพัง ดวงใจที่แตกมากบ่จักอ่างเจาเอื้อค้มยืนกราบทูลพระพิทานในอัอ้ามทูนตามสังนงามไปใสนอน้องน้องเยี่พาคุณบุญล้น หลือสองคนบ่นแล้วเกิดเนว้หนึ่งอยู่สองมือเบื้องบางหลือก่อนจะเสียงใส่นอนที่ เพียมพี่เทียมไมเจ้ามันเสียเน้อมันเทียนดูราน้องมันเสียนเพื่อันวางร่างจังเสีจังนี้จังดอยเพราะวานดอยนั้นบ่มีทมคู่หาการจังนี้จากนามเพราะว่านามนั้นบ่มีตั เสียจังนี้จาก่วนเพรองวางครูนั้นหาภัญญาฝัญยบ่อนใดนกจังนี้จากตนไม่เพราะว่าต้นไม่นั้นบ่มิกิ่งงามสัา จังนี้จางเท่อนเพราวางเท่อนนั้นบ่มีหม่ไล่เลี่ยมม่บง๋นรนจางหงจังนี้จางสาเพราะองวางสา น, นั้นบ่มีดอกบัวางอันผู้หญิงจังนี้จักผัวเพราะว่าผัวนั้นหาข่าวของบอนได้คาโบราณเพิ่นว่าไวกออ้กวางมา ดแกนนองนามไทยนันนรกามันเสียเนนอมันเพนดูลานมาเส กบวนหลายสาลทั้งคนล้อทะแลงเป็นหลายลิลภัยผู้เห็นมอเตือนสิยกลุ่มยองว่าดีวันนี้นางไฝในดาวก็ดง่อนเดินเตือนหาพรั่นพองตามสนกะบวมี ไปเสนดีด้วยดอมพนางยกกลางปางตัวลืมลูกหน่อยไปลองเล่นลวงการมนะอันนี้นานขันพี่น้องอยู่ห่องสวยลานเป็นกษัตริย์พี่สิตัดข้อนางให้ ม, มงโม้ณและน้ยา แต่นี่มาเพียนสัางรำเพียนวัตถุเพียอาหุสิให้เจ้านี่เพียนขั้งแลกประทุมซาสน้ำตาบ่อยอ่ยอย่าทมพ่าเยีเ่ยเสน้ำไหลแผ่เติมน้ำถูกคำโบราณว่าอานวาบุตรเจ้าไผโนสิหูวเรื่องพี่พอได้ทราบเรื่องยมำสอนเสียถาม ศาทตร์ผู้ิ่งนาดานทำท่ า, ทาบีบน้าตาก็ะจังว่ามา่ายเองเล็ดกระบวนหลสัน้นสามพันลืงกระไหลใจลอยเลี่ยมหลอกแรกเห่นยญล้มหรียกระเลือนไหล เจ้ายาพี่ตีไข่ถามกินแกงไก่ไข่บดเจ็บ ป, ปวดเนื้อไผสิหูหอมผวมามกันแม่หาผวให้ามาซื้อนางคนใหม่ไก่ของนางคือซิมิตรออจอโนคือซิมิตรอ้อยจ้อยอยาแก้มบ่อแางเล้ง ก็นานก็เฉยอยู่บมีจามันเสียบานาอุกดังเสียงกรามอยว่าผี สังมาทมิญค่อยหากตะบวนหลายเรื่องแทนโ o อ i นับจานี้จากเมืองหลังเพื่งพระผู้พวนผัวแก้วผู้เดียวนี่แล หาว่านางโลบเลี่ยวยุมเจ้ากามาคุ้นวาลือตาเป็นคำจรจงจังคอยฟังข้อมียนนางอากมาเพียงเลีายงพระอง์ทั้งทั้งลูกถ้าทรรมวถูกต้องเชิญถอนจงประหาม เดี่ย ว, วหวาไม่ยอมทิ้สาลภาพการ น, นางทําถูกต้องพระนางนองจองจะลื้อน การเสนโตรงทางทางอานสางทางบริเทวเวตทางงานสมังคำตั้วาสามิการสามิสิงเกิรูธันติดังนี้เป็นคงพิคำวิ วาอันโดนล่เพียงสูงสงทั้งไลยส่วนดังนี้ให้อันเียงจะอันกางถึืองนางแกวนันรักกามสีอันไปคว้าจังเวียงหาลูกน้อยร่างหอยหาอาจเดินเดียวในไัเขียวนันละบ่มีผูงเพื่อน ชาวเถือนทำพรมผ้าป้าดงนานดูเมิดความบองกว่าแก่งจังในผัวการช่างเข่าเคียนแอนวางหักลงแก้วสองเสียนในเขียนลีวงก่อนนางเย็นโอดบอดได้นางหง พอจแพงลายเล้าอัมเฮงเทียนเก้าสารละอนางพรา ย, ยาจึงถามว่าเทวก า, าวไว้ ม, มาหาลานสันจาบันเนมันเสียงลูกเ่าแก่เทียนีด้เจ้า วันวานหายหลายพี่ทุนท่าท่ากบบ่ากบจำตามแต่อย่างใดนางมัดสกจึงเดินอกเที่ยวตามหาเลี้มสาลาเลียมนองกะพองอุ้นทั้งนั้นวันกันหา โมีสิงเยมบมีสิ่งเสียไขานบ่เห็นสองกุมารพันแลนลุงในนามมันสือนางลุกคนโยสาสีตั้งหลายลูานึกว่าเงือข้ามจงลุงนามดอกจุมจุ้งเปิดใบบัวแล้วก็กลอมในหมอบกอางห้อ เป็นมาคอยเล่าลัดใหฟ้าวงแสนองเห็นแทดวงเป็นสันเทาอันเกี่ยวเนือนังกะก็คนกบบมนปานา ตาหวันคุมพายุอันวางสมทุพพุมไม่ทางไหลคงเี้มีอันทางดองอานบ้านเมืองโหอันอันกันจังเพินนองเคยเล่นเลล่เลล่เลนสามสอดไปมานเคงยวันดอกจำฟ้าบ้านเศรา นอขันคำข่าวบานกลางกอกลางก้อันดอกน้อบานหอมดอกส่อนบานหอมดินดอกามพิบานตรงซยนอันสันและดอกมาลีวันจุมพันน้อลายเอดอกแจ แดงแดงแดงทำนังนม้นฟังเพียงการเกนก็ร่าเสื ถ้าหางดองเติมแลนตุมไตมวนดองไหม น, า น, น, า น, น, าน้นเงา น, น, นคันจองเพนนองเคยห้อยปันดัปันด่าใจเคศาคนยังวาาผ้ากูเด่นมาดังกู การในภัยน่ารมทื่อกรรมบ่องมาห้องเพื่อนเพึ่ขนอข้าเน้อท่านลังการสองสนิหาเจ้าเมียใต้ไปเหลวหัวยังน้จามเอียนตามผูกข้ารันนิย อ, อันวันกำพังวังบุกขารันนิอังอันนี้ เม so so so so so ื่อนามันยิ่ใสงอทุ่งแห่งลงอมกมุดแดงบัวคืออันตามต้องเจ้าแห่ลอมมินทังลกเจ้าผาพร้อมการคันเที่ยมสันติก่อนยังวันฟ้ากูเดนมา p h n g c à n gian t n thiên l a l g h ô n nói nam trong diệu yên này làm bồ đ chi chay c h i c h ạ y đáng vấn nam an đang cao thon, e n tại thằng phi làm nòn n g a khay cho đương phải cò mẹ lươn, nước lo t ả thuốc na mẹ cất coi luôn n นึกว่าตายทตกทัวแม่ก็ลงไปคาเห็นเธอยจะลุ้งนามเห็นเธอห้อยจะลงถ้าเห็นแกอยเจ้านั้นลุ้งอาบน้ำห้อยเกินกระซอมสูง สาละวนใจยงมุ้งมาบ่เนวางเมิดสู่ทางเที่ยวคนจนที่แจ้งสว่างต่างมาเสียอิดมือยล้าบ่เป็นทางผิดหวังใจกะยังเพื่อนิดดังเสิดุฟงเมียน เดิน เ, นเวียนสมองเสือมพระนิจราฮอนเซาหนาลู่โตนพระแม่เจ้าอุกเอาอังพระไทยขึ้นมาพระบาทไทยวังเสถไทยถามเถึงพันโเถิงกาไาจะมิงกาลลมต่อหาง พระนางมองไม่หนาพระสัมตาโอเพีวิสัญญ์ท้าวลวมล้มทอนอกระโหลนั้นละนาำสัมถา ช่งคุดที่ยังสังเสียนชวนช่างลังง่นชะมัดที่ยังเถีย น, น, นั่งนั่นั่จงใตจงเสีไว้งามนีิงามต้องไปแก้มนั่นละคือดังผิวท้องสองแขนคุมน้มอนลโลนเมืองเียงปอนผู Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, l h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o ยาเมื่อนางเยือนเยีมกอต้นโพธิ์ใายนกงไฮชวนงามล้นล้มง่งโงเตียวนชวนนาง เวรเวญแ้บฟานฟ้าเมื่อสังวันคนงานที่ยงค่งสมใจทุ่งเลีงลางใจลมฟ้าลืาอฟ้าฟังฟังใครหามานาการเลื่อนเขินยังแข็งทั้งกองคำเดียงองกิ้วคอย เทกา เด่นได้ที่จีมไก่์เธแห่งฟังบานไทยควรจนกวมมิเลี้ยงทางทางทันบ้ามบาลันสีเจ้าอันเห็น้ัวลนานองพระบาทนั่งเครืองพระเที่กับกองที พระองค์เยวพุ่นเพียนจากเหตุประการใดเอ็มัดเสอลบไปกลางกิเนมองว่าว่าแขนจมเกลังบนาพระพาอังตั้งเต่มาอยู่ดาวบ้คยตองตองขิงเมื่อนี่้ออาเนียงเลีย ง, งยู ดวงดายหลือเสียาจจริงคักออมเชื่อบเติยงเนื้อเล่นเอาเหลือโลาเพ่มควาตาความเป็ีนวางดวงให้เพี่นี่เอ้ยพูดว่าอ้เนี่วังหลังที่ได้ท้งทายามันจางใจที่งดวงนั้น ครอบเรียนผู้ที่ย า, านตามมีจานเย็นแจง้งขันทเลงให้นั่งผู้ที่ยานสิ่บวชผานยานจะนังคัดการต้องส่งลางตางทื่ อ, อ, อ, อมันเสื่ อ, อ ให้ลูกเปื่อนพี่นี่บอกความจริงนะเออเลยบพราจริงตอนลูกออนจะลวยสวยงามพระองค์ละดูนาเบไปมากกัใจออนโอ้แม่ดวงดองก่อ น, ดนเดียงเวกันใจ อยู่ในกลางฟ้าไม่ไผยสิริอายามาลสายน้ำคืนตือนมาใหเป็นเพื่อนเหมือนพระไทยที่เพียมบางบ้านจะทำที่แก้สยพระเมรเาอีหน่อยในวันคำเจ้าคำฮงครั้งตึงใจกับบ้อนเย็บจะเย็นลม เวรเดิมน้องโอ้ยมาบอกเป็นตาคืนพระเวรน้องมองตาเติเข้ากำแล้วบบลากไหวไปมากะบตดืนพระเมรส่งเสือน Let h o ร่างมันเสี่ยลงทางตายตรงผรนเด่นชะฮองวังก่อนทำสังหงเอ็นนั้นวังจางหงตนแก้วนั้นร่างมั่า ตอนลัคนี้จงความเมตตมพึงวาบันทีมันต่างเล่มมันตายหันบันทีนั่งเกี้ยนบ่นควันตายใจที่เหว่านอนบันทีเล่มมันตายใน แก่ฟังเสียงก็เห็นนางคนกวงเพียงจังสังไม่ใจยิำลอยภัยบุพียงจะใจฟังสัการดานเพียงจังแ G ้ลายหวงดวงเพียงเพียงะงฟังนาเพียงจังแลง ดังกาเพจังแจงวงเจนาเลียเยนารงนา ใยูวิฮางเป็นจังแป๋าอมนางเกนนงข้าหลงแล้วเจังแป๋หมุงทาออแลี้น้ำาทางยาเป็นจังเป๋า เคอนจาวงวา น, านิ่ยนฟังการเพียงจังใจคนขการทนํำมุมความเพียงจังใจองงุทิศบุญงายเียงจังแตงมุมางสงตาขทางเพียง จ, จงังใจยุ่ห่วางสู่ค เีงจังใ่ดองคัามเวรเพืนอนนางพีจังใไว้เชี่ยนเชียนทอลานีเี่จังแต่หอมเพีงวันดาถือทุ่ทงใจเดียงลานดานแต่มุ่ต้องจังกา ว, วันเป็นลาน มาไว้เบ่จะกบ้นบัดเียน้ำมันตายในดงดอนดุย่างไปจังมาก้อยเรื่องกลางสงการเจ้ามันสียตามความเห็นนแก่คนิชจา เพียงวันลางจำมันเสียเหมือนตายในเมืองแกงฟันเสียใจดังนั้นทางเวลานทงเมืองทางขเพยงวันเมืองท้างทางลานเลเมืองแก่งฟันจนเลยุยังวาเงยังไปมา อามโดยอังเลื่องสางสมสังการแทนดีนีิเลนาอามอามอามราคูพินีทางอยู่บนเน่งกูเทียงสางไปจักมาฟองพาไม่เห็น ความพยาจักมาคอยจูวันนั้นมันสิลูกนั้นไปจักมาหนาตามดุ ไปเกิดมาลอยหาพรมาที่ไปคุมป่าหาผู้มา้าไม่เฝ้าจับกระบวมพระเวทพระที่บวมพระเดี่ยวรกาัำพ้นบริหนนฟ้องทาง ฟางสีแกซใจไข่นมันสีอื้นนอื้นจงสิฟางพี่เลยแก่ฟางพนาสังจังไดน้องไปสิหาห้อฟังคุงมจะอยจังคือเหล้ อันร้องสอนค่มันแก่ส่ทั้งทัดบ้านเดกจากกาจันเจ้าได้เป็นเพื่อนว่นมสอนบัดนี้หน้าหนอนสิมาฟากนีไฟเพียสิมองดูไฟจังสิคือมันสีนอง อันแต่ไม่รองจักระวานพุ่อที่อาผู้ดีจังหน่อยมันดส่อยยากที่น้ำพิทุกระพวันพิขาตฟาจะนัมมาอู หมูตากติดตาหยาดหนกระทุนกัมนอยู่น้ำกรรมเพียตางบอกลว่าหมูปาทราบลำบากกแม่เจ้าอเอาไว้แก่หมูเดียวเฉียวเอิ้เอิ้นเฉียวใบฟา รัมต AN. ังยุกังฟงเดือนเอ็งเดือนจำฟ่าที่คือลาฮังที่กันตาตูน เด็กที่ว่าทุกข์ใจคงแข็งผาคเข่าแม่าคอยเอามาช่วยคืนในเตือนตอนตี่งเพื่อนบาลา้ีพุ่งเพื่อนบำเพ็ดมาจนลาออนผลสินท้าในสุ่ Tha ma tha, t h ma t tha ma tha, ma. อกองตั้งเมฆกันวัดวังหลวงฟางตักวาลิมาส่งแม่นุก็เลยยเฟอนมันเสื้อคลืนมาได้ถูกพระไทยอยู่ตะเพิุมกลางความเดืยอยับออกมาแล้วก่าวอนทุนควาก็ถทาม ว่าเพียลูกเขาตายนำสอว่าโยอ่นไดงโปรดจงไข้พระวาจนะสบังยักนองพระเวทมองดูนาเทชวันตาแหล้ว่องต่อ้อยนางนาั่งลังสติสังเวยฟัง เพี่อนเอีเธนี่ขีดตั้งวังเพิ่งพูดเพี้ยนจึงได้ทานสองเสียนลูกเขาให้เข่าแ้วภาพอยู่แถวกลางลึอดพวนบุญเหลือตัวได้ดันหอดระสมยอดมิงต้นสองลานลูกเขา กเรทาก้างเ้าพ้มพังบัดนันมาอย่างโวรางอุตตรที่ก่อดกรรมพันเที่ยวเพียงคดเดียวก็เลยได้สาธสิใจทำทอดคอยยอดเม่งหลางะสมตั้งต่อบุญพิธามาเมื่อเสียห่าบุญ ก้กลางฟ้าลึกสีน่าเมาสิถึงการสั่งบอกให้ฟังแต่ตอนตอนบอลูตนแถลงใหญ่บุกเยเป็นกะแกงว่ารอให้อิบไม่ล่างกะลงเอิบกูียง ว่องลยฟังรู้เรื่องน้องบ่ว่าจักคัดเสียงใดควรพิจัดความมนเกืดีแล้วน้ำบ่เขินคัดแล้วขอยอมมือหลวงเพียจบว่าจากพระมันเกื้อเทศนาภูนี้ก็จบความดูประกาศ พวัวต่องเกาวตามนิทอดเทศนาสอนเก้ิบตอนพระคาถาผูกมัดที่จบนี้เอวังเทลุ่มไปผูกต้องไปที่ไดกันกบบนน็บังบัม น, น, นานิทานเลียงเล่าต็เติมงานลงมา Ta n ta. เดียงก้อนสุนทนว่างมวลนักปราดยาพี่นองในฟังก์ควองตอนเลียฟังให้ดีจังสีแจงปัญญาเกิดจะมองใส่ฟังฟังไปนี่ท้อนท่อมพระเวชชาดกอา เป็นแนวทางทำให้ดั่เนินไฟถูกสอ้งเชื้อพ่อแม่พี่น้องในต้องถวนสุกระบวงจังว่าถูกทางล้วนมีตั้งแต่ใจงามมาทําตามของทาได้ก่อบุญคุ้นแก่ นับว่าดีดีแล้วได้เห็นแดงแสนประเสริฐเกิดว่าได้พบความดอกยินขอภาค พ, พระธรรมความรู้สึกลึกล้ามได้เดิมดำคำสอนนางสอ่อนมูทนาวาสนาม เสีนและทานกรมสังตามทางพุทธศาสตร์พระโอวาทของพระพุทธจเจ้าเอ้าตามเทสนาว่าสัพพปะาปัสสะาการณนังการบทถมตัวส่างสัพพะจิงบัตเสิม กุสลโสะสัมภธาทาแต่ดีให้ปรากฏกว่ากุศนสมสริงสัจจิตตปริโยทปนังทาจิตใจใมันว่างมนุใน ใ, ใ่พ้องสามอย่างนี้เป็นของของพระพุทธเจ้าสอนเราตลอดกาล ววตาาสนิททานเขาทานทั้งหลายยิ่งเลยชาเจ้าพูดพระพูดตามงามแล้วคุณพระไรตรสามแก้วพระนมก่อนกมกราบบามสิบบรไดเห็นดื่ิ์สิบบไดของสิผ่านต่องแต่สิ่งดี ยังวันให้เมื่อเนี่ยได้ฟังเทศชาโดคาสมาศิษาทุกเทศนาจ้าซ้อนกันที่ิบพวามกอัญเวทสันดรมหาชาติเทศประกาศอัานแก้มดิสันแ้งเอ้ยเสียงผู้อยากฟังตัเนืองติดตามเรื่องให้ฟังชาน จากมีนานเชอนท่านฟังสักกาบันบ้องพระเอ็นเอง็งสิแปลงร่างพระเวทธรรมท่านสางบาลมีจนโลกวันพระเอ็นท่าบุญสวรรค์มองบังเห็นเจ็บ แ, งแยงแห่งสางสวนรค์กุศล เกลือสีเต็มเพียมหลอนสุดยอดบาละมีอาจได้พลาดไม่สีตวนสิเต็มเลือล้อนบัดนี้ควรเดาต้นแปลงล่างไปขอหน้าให้ได้ก่อนพูนขอสิเดือดหลอนเครื่องหอนบัดอยู่ไพ นี่มัดสีอยู่ไกลอุปภาสิเต็มพลบัดนี่มุนเวียงวงสี่กอบุญคุณแก่ โอ้พรสักหมดแล้วคำอินสิเว้นาเหลืองตั้งๆงสิลุล่วงเนว้หายสิสภัยนี้เราก็ซอยบัดนี้ทึงที่อับปางหัวสิบีเจ็ดทางสากพระอินต็คงสิน้น เจนตนาเพียงนั้นหันพระไกยเจิดเวนหัวเที ย, ย, ยออนนั่งพระอินทร์ฟาเว่วาลวงลุ เดือดวงดงไปมพผ่านแปลงเพ็นพามนาจา์เขาสู่อาสมกวังไปถึงดวงมณีแก้วพระนมก ร, กราบทานพระเวทถ า, าม่าษามาแท่งวกดเตะใส ความะส์ตั้งไว้อันใดแน่จังเวหาคมผู้ผาบูดงทานก็คงสิมีเลื่องเสียงความแฝงทุนขอขอมัดสีพระเวทเตือนท่านลูกไปเพียงคืนถูกขอเมียดนั่งเกืเ่อนเลี้ยวเสอเบิ่งมัดสี สบายใจเถิดเจ้าพี่มื่อสิเอยาแรงขามวาเพิณยื้อขอพระองค์จงทำทานอย่างสบายยะเครื่องหอน มัดเสีจอดไล่บานพูมมสถทานก็ขอพีมอบเชื้วิแกน้หมยห่วงดุงสนองชีวิตนิ่ชีวิตของมอมน้องแล้วแต่เพียสิบันชา้าห้อเคยสัญญาร้วยใจเจียงลูกผู้หญิงกะสัตว์เื่อ ยินเสียงเมียท่าแหลงตาลพระไทยบานคอยเสือนแม่ขวัญยืมมอมนองพิชัยตอ่อความพระไทยออน้าเอ้ยนี่จังแม่นพี่ได้เมียประเสินกัญยาเนียมเจ้าสร้างดีเกินคนทุยบนภูมิเพือน อกพีใไ่ในแตนเตือนว่เห็นคำสิ่ตานตโอแล้วน่าร้องให้เรื่องลางก็เสือ่อมฐานองพระเวทเก้าตาในพรมทานสบายใจวามพามือเอาเส่านบัวไขม่มิ่งมาดเสือเสีแก้ว จับมือพ้อมมาแล้วจะสวมงามทิพยฐานก้าวว่ากาทุ่งเอื้องเอื้องเอื้องผู้มุ่งเทพธรรมธานมเด่นหัวควาสูตัง กาต้องการพันผวนโอเคอังกันดาจึงได้พานมี่หักยอดเสน้นวลน้องก้อยพองถวยแทนเป็นพยียนการก้อนก้ยได้พบพ่อผ่านในพันขวา บวงสรายนันทนาพรคุณเออ เก็บกายกําไฟมะพันภูมิสารพันธนาไลได้วังไว้ดินฟ้าใ่ายสิมุธนา น, อาาน้อมสาสุกการย่อเยินจนละท่าภาคเพื่อนกระแสอพือนและลอกน้อง พระยุมุนพัดตั้งยือหาดประกายแสงสีทองแงงยังบนเลิศวิไลสเสจังพระอินท่าผู้แปลงลางกบผ้านางเพื่อนที่รอบสมบารณีประทักศินต้อตั้งสามขั้งกไว้ยขึ้น ขอทนานญาณจากเพื่อนคื้นเพศเป็นดงเอ็นผินพระวรากายลุงต่อพระองค์แล้วจัดวอน ดูลากันดดนเจ้าลัดสีเสียนในฟังพอขอให้รับมีเงามัดสีเจ้าดอกดาวขึ้นพอได้ลุกสู่เพื่อนขรอบยากซอยพระภูบาลบําเพ็ญบาลมีทาในเปียเ่ยมเต็มเติมตัง สมความวังพระองค์แล้วเมดสู้แนวได้ทัาทอดยอดในคพามที่ตั้งสิวังได้ก็แน่นอนนะต่อแต่นี่ยาได้ท่านกำก่อนมัดส่นาในไฟไ ป, ไปมีแนวได้ประสงค์ ม, มักพอสิทำไม่สมแม่ อุสุนแหงเจ้าทำสอนสวยพรในสมมาตรอง์พระบาทม่เหงาฟังเบาเสือนพระทยเบียดันดอนแตจึงได้ขอพรแปดประการสมขอที่หนึ่งขอให้องค์บูรุงเมตตาขึ้นบาน สองสงสารผู้กำพข้งถูกจำจองได้ปลดปล่อยแน่เดือขกอที่สามไม่ได้คอยผูงคนทุกข์ยากใ ห, ให้เขาได้อยู่เยี่ยมก่อที่สียให้ห่างเียนอำนาจเด่นกริชนาให้พ่อใจพังลยาเมิงมัดเสือคนเขา ขอหาอ ง, งเงากันหาชาลิลาในได้ครองพระจักรพรัดิสายังก็อยู่ยืงก่อนที่ห อ, อกให้ฝนตกสู่เพื่อนเป็นแก้วริงเก็ประการประชาบนงพอเพียงบ่าขาดเคื่อนเงินใส ขอเจ็ดในพระคังหลวงของทั้งวนมีมาขอแปดนานยมเมื่อรับศาสเมียนในเมื่อฝ่าสูสะวันต่อจากนั้นให้มาเกิดเป็นคุงสำเร็จผลโพธิญาณสูสถทา น, น, นมิพพานแก พระเอ็น zoom ฟังแล้วก็ไว้พร้อมไม่สมดังสลับสู้วังประจักษ์แกงกรทันห่วงแห่งพระองค์สากรันด้วยควงลงบาทนิจสังสี่สิบสามประการาสี่ไหวลุ่มปุ่งเลือง จูบสามเนียงเพียงนี้เอวังที่ไว้ีนก่อนเอาละก็พักก้อนไว้แต่เพียงสามเนียงพระวันควายเสียออวยก่อนหันละนามธรทา ปันในกันมาลาฉันทีว่าเจ้าแกไม่เปเลี่ยนต่อไปอีกเต้าถึงกอนแกนไทยชาลีลาเล็กกันหาเวทนาทุนทุกบุญยัมตามพันธท่า หมูปลาเล้าลุงควอยตะวันต่อยบางเหลี่ยมเต่าพัมเตี่ยมพับหยางน้อมข้างอูแขม้ผัวก้อนหน่อยไบใตจกิงสาขาสูยาผ้ากันหลักหลอกหนีึ้นนี้ ยืดยิ่งเสื่อเส i ยมยาสมไว้ไว้ยิ่งให้สู่มิตริ่งเก่งเสวยงามเสื่ยางกำไฟเบือสังล้อมสั่งน้องนามตาตไลน้อง ตาเจกาคุมเขาคุนเขาก็มัวเมือดมองเบลล์อมดานสะาำห่างแหงหวงปานใดดีเดือมปานใดเดือจังสิพนแข่ดดานมาฟาทอละมาเหลือเกินฟังเสนเจอพอน กรรมโน้มกันลาอนิจจาได้ภาคินยิ้มแย้มาจอดฟังลากระจำใจมือน้องไอตุ๊กฟ้าผัวติดกันมันนอท่าวันมดดกจอดนูกนม่ เกย์ใจพังเทาบ่สงสารลูกพรามบาดเจย์ขาจอ่มมอยเจย์เสขาจอ่ม่หมอมสัง พระกนแทมพิธาพ้าสงสารเห็นกุมารทั้งสองบอดมองดายนิ่งความเป็นจริงกระนำ่องพกปวงบาได้ห่างใช้ต่างๆลอบด้านเิ็พัน่องกะบอมี เพื่อทั้งสองทานนี้ในแผงเพี่อนกายเพิ่งสันตาชีพให้พัมเส้นวันนองทำท่าพากันนองหากุมานิ ว, นวัว่าง ฟ้าดอนบู้ภมมม่มาใกล้เราแลันเถิงทั้งเราแก่หมัดในดอกไม้เอาใจ ไปบัานทานมาตองบุ้ยกีลูกของแม่ก็ห้อยแสบฟ้าตองส่งลางกระดังกังแม่ี่้ห้โโาการกัดอกเวียงเล่นนำมากรรมอานนีจาชีวิตลูกระกมแต้ยังนอน แม่ใจแกว้ใจหอยแลนน้ำหอ้อยเจอคอยบายบุญแม่หลายจังได้พอ้อมเห็นนางยุป้าเขาเจอเสือดาพองเวาทั้งนวดนองสองพระองค์หาวาลีมาสองสางสตร์งส่องแก้ม มืน้อยเสสองสีก็ส่อยเสียนเทพระเจ้ากระยาเข่าเทปเถวายเสดีมแล้ยงก็เขาเสือพตาสองลากร้อนิทาเจ้านอนนี่ บ่ติงสองลาจวนวิลาเมื่อไม่ส่องเทบไทยิ่จำในดกก้างนี้นี่ละมิดไปดกคือเขาเฒ่า น, น, นังพันธะมัดผูกเมื่อคือเขาแล้วก็หายตัวเขาผูกเขาเดซกอนสึบมาเมือ่อแ่น้ำพออ่องซอยถนอ อาสะจันเดีบ <sympath ic nonsense> <jack> ุญบุษย์เพล่นเกลึ่งข้าวทุกเวทอุนบุญกะโยนสร้างกระนองน้ำกน้ำสามตา สากคุณจนคนเคยทำบุญและวก็คนเอาไว้แม้นมิเผยมาอมกับบุญคุม้มคุ้มเกลียดคือดังลูกพระเวทานสองลางนในพานมา b ắ t nhị bôi sa diệt đền lương còn cao t h ư n g còn chu chọc này cho chuồng con n ó i đền tội lỗi lưu lan búa đòn son phá để xị phà quạt mưa để chuồng n ó i t u ô n đ ơ n หัวใจพืนน้นดวงมิตามผู้เคียวกองกะเลยหลงกองทางทางเข่าดอกเก่าหลังมันก็ถึงตังบูมานุสอสุดยงเด็ดใจเมืองผัวเจ้าพระยาเงาเชนตูด มันกะจำจรเก่าประเสดายแก่วคูฝฟูมุเส้ น, นเจ้เหนนแล้วกะลับมเมาเกาก็พากันได้กุมานทั้งคู่เมื่อถอัองห้องควางกามทุ่ แต่นั่จอมกัสไทยสนใจก็เลยใจอพันคำมอบให้ดมาไว้พัมเผาออมัน่าพระบาทเจ้าได้หาเลิกยามดีถึงวันเป็นมงคลเลิกก่อนดีดดาพ้อม แล้าชั้เชิญจำเจ้าทั้งฟงน้อยฮอนมาพร้อมที่เชิญเข้าสู่วามตัวแกงแล้วแก้วแก่นภาคธรรมีได้ทำมงคลก็สู่ควาทุนเออมาเจเ รางวัลสันดิสินสูงผ่านมังคลังคอยสงกันให้หาเจมเจ้าวยอเทียงมันเลยยื้นยึด่จีก็จะมีผู้เผยสิ่งใดมาต้องคอยส่องลั่นหลังใหการท the ั้งภูมิให้ยื้นโยกับปลักกะเ้าฮัวันสกจะได้อยท บ่เพิ่เจ้าผ่านสีทีไม่ายจะกิเจ้าสอนร้อนกันยู่ nắng ท่าเจ้าห่วนผู้สิมันพอมาบ่ละบ่วเล่าไม่ค้ำเคียงกนคอยก้องกันลอยยืนมันเหมือนที เมื่อนั้นชมสีเจ้าพุทธดีตนยาอุมาลันน้อยย่อเกินเนียขวัญว่าไม่ขวัญ้อ ขวัญลหน่อยกันหาชาลิาเจ้าญาของน่ะขวันเจ้าญาเด็ดไปอยู่ทางดอนเท่าเพีพาน่ะวัญสองเจ้าญาเด็ดไปอยู่หลงหลงพ้อยแกมบางชค่นี้นือวันสองเจ้าญาเด็ดไปอยู่ส่นตนไม่เนื่อน้ำพันเท่ากะนองน้อน เชิญเจ้ามาสซอยเข่าสาหรหอหอบมีต้งฟ้าเปลนเพียงสะสงจำเจ้าบวมเชิญควันจะอยมาสู่สางเมืองหลวงตุ่มไผมาสมด้วนดอกไม้บานบางกินหวงเชิญควันสองหลานเพื่อควันตายเจ้าด่วนมางู วันเจ้าไปยยร้อนเขาเชิญนกขนดกวันเจ้าไปยุ้ยพูเขาเชิญนกกาอาวชื่อนจอมาสสวเขาผ้าข้ามดอมผวงมายุ้ยผ้ากางควางผ่านน่องเหมือนเสานี้เธอเดิมกันหาชชลีแม่นื่อยมาเยืขวัญึ บาควรกล้าเลิกกล้ยเลี่ยงผู้เท่าพัมเป่าเผ็ดพิษมันกันดีใจล้นคนลงพุ่งพวงห่งดังเสือไข่บานกว่าควาเขาเกาหลัง màn can liêu là hiền thung phàm hoàn năng hiền thú khó ai màn m n k h o n kiên lại màn c à n hoài dù gì dù n h nhàng qua hàm giang nam l ạ i hứa thằng t h i m n cười sang chùa t h ô n g hiền luôn quá chỉ h n thằng tâm nên tiền b ạ เด่นความเรื่องไรความใจเคมคำมูใจลีไรเค็มขาใจใจลีหลังคำมูมันความเมงเขียวฟ้าฮังมันเบียดหงุหูเคมมมุนย่อยลืมเสนเค็มตาท้อเค็มเกาเหม็นเค็มแหมปัญหาหนา ตายมันสำบายบาว่ามงเกินมนสามคมเกห็นมางทานมนสามพ่อมางคำพ่อหมุดมุดตามกระือ หันตัดกานมัน <Object> ก <reviewing> ันเกินมาพ่าวมันเจนแกงเกินแกงมันเจมอมอนลานสามหู้นการถั่วเครื่องข้าวมัใช่กบหมดล้มันจะเหาเครื่องลานมาสูดก็ูอันแรงแรงเจนเกินน้ำแรงแรงมันปาหายใจเม่ ขาสังคันมานมานเฉียวเหมือนสายเน็อคันมีย n g ม้าอมันจึงลิลขึ้นเหนือบันทุมท่มเทาใสาต่ต อ, อนแค่นันเทากระยิ่งต้องไปมาบนใดัทนท้องเทาใคร โยกลางพระสาใจะอาน้าจังทานจริง no ยู่เลี่ยลิเี่ยมือกายเสร็จน้ำตามือขวาลูกของน้อยขอให้บาว ญาณโวยตามคำนตามนันเลนันจะเด็กมาเพียงย่างพราะเป็นอย่างตำลัเก้าเราไอ้พวกผัวเทาคนเข้าด้ลำฟังเท่าพร้อมกินบ่ยัางจนว่างลายเหลือเลยได้เสียชีวิตหมดสลายตายมิยัง lên này phóng thiên do v i c khó rằng lao lường với trăng hương mi ngầu thì t r ê n châu tàu t h ư ơ n c k n h ó kẻ quên q ơ n này o n g có h ó chạy phải c h ư ớ n t h u này t à o là khó c h ó ban จึงจกงการว่าเลื่นเตินทนลุนลังทั้งมุรถและม่านทนสางกระตังเตียงตัวเตีต้ยงกระบวันแห่แแบพจาตัวหลางำขำการเสกกระบวันเลี้ยงลาย ช่ยังหลอนมาโหลืพินพาละนาติหนุนเด่พึ่งล่องค้อว้างมูมมูงกองแตรแตรแตรสามกับเสียงดังเสียงเสศก็เสกวนกว่าประจังแลลำนากค่างวางทุนเปิดเพ่งฟ้าทุนทนมูเสียงลำอนเจรินเส๋ พระจางพวกผู้คนลอกครับความดนเตียพระชาชีตามลังลังไหลเจ้าลีลาหายตำบลท้ายทางนางถัดมาม่นมาหยางจังหวัวหยอบหยาบเงี่ยงเจ้าความคําำสลวง ค้ามวนลุดเลนรวยหลายลางกลับสีสวยกะเมือเหมือนเลือดไปไหลเลื่องลวนคะข้าวนพ้นเดินเท่าสำบัดทุ่งหนืวหลาหยากหยาบยา บ, ย, าบย่้ยกะทุ่งเพื่อนแผ่นพยุมเพียเพียบเพียง พ, พ ร, อรอง้อพมพร้อน้ำวิถี1ิพย์สองขเพียนี่ไหลลากระดมนาเคื่นงามดังเดือน c h à long chòm la cha thì là đền phung na kiên kha làng làng làng c ả năng thiam ทั้งเทพไทยจอมลาดไม่เสียพุทธดีงามฮอนนังตะลอนเลื่องลานน้ำตะล้อ น, ลลนลอเลื่อนใหญ่ประมันเดือนกอดเทียถึงวงกุดชีลมาลากรถวนยอมหมวนยอดกระทาง อาวสารบรรเจ้าฟ้าบรรชาไว้กวางพ้นนีวรนิติตามตั้งแต่พ่อเพียงนิ่มถ้าถามมิกุกสสกเกาจูดจำหน่อ้มีก่อนขอพระพรเพียงทอเนี่ยมเสิยงหลงเล I uh am. -huh. Uh -huh. đ đồn à o m anh muốn m u a m i ế t im lặng ngày qua và nhiều nhiều sự yêu c a h i t ì m m p h a nhăm nhở n h m sâu mòn s a o l ô n g rồi sẽ t n qua đ ộ c nhâm k h a i hứa จางนิรศสูเสเส น, น, น, น, สนเสียงสาไในดินแดนต้มนุษย์ใสทวนทั่วทุกทิศเสียงสอนเส้วเส้วกองกอมผนังองพระเวทผู้ยังสติญาลุงกวนพร้พอมเสืสอส่งพรกันดังเดียวโดยดาม สองเดือนถวงแต่ท่านหวันท้อยภาคอยากน้ำควมอยากมวงเมืองใตไฟนิพังขาดเจ้พาพิธานมัดเสียทุนท่าแหลงปานนี้สองเท้งหักลูกเงาโคท่านแล้ว คงเสียแล้วแหงลาถ้ามานาใส่สวงหรือขะามฟ้ากว่างไปได้ไปละน้องเพียงขึ้นกินคำใดก็ขิดพอมผลละมาเป็นกอน กวยอ่องของลูกมกัมกมัดหมอหวานตายนอนขันแม่ น, มนก่อนสีสลา ย, ยน้ำกันคือสีคองเห็นลูกกินยิ้มทองก็พ้อยอ้อยิ้มกะจังโอ้เอเด้น้อง เือเป็นทาสใจกินบ่อิ่มก็หิวอย่างบ่เคทจนถูกสิถูกท้อลมันสารกรรมอย่างนู้นสองลาเป็นทาสาศัยอย่งอ่อนอ่อนซาี้งเองแก้วกรรมแล้วลูกแก อวามฤอสีก็จิงแข็งเจ้ายาบนญทนลูกมันเสียคนมีบุญบ่อนทุกตงลอนไปไกลเงินบางเอินเน้นเจอพ่อธรรมาดาสังขารโลกสศกทุกนิสวนรนมาพ่อไม่คิดเอา เช่นจัง่อยและจ้งข้าวก่อนา็มีสุกบัดนี้เจอความทุกข์บาหนี้ไปทนตักควางจนได้นอนดาวถึงข้าวอย่างบใอยูโลกทั้งคู่เท้าท่านผู้เฒ่าเขากระส่ยวงตา สางทนังยาทึงสามพ้อยพี่เสียฝนลูกสองคนสามดวงตาดวงใจฮักเ่อใดโบจับตาตัวคนสานไปแล้วม็นเสียด้ก็ไรเป่าคิดไปหลายแห้งคือเอาเงาสาวาบสว่างมื้อ จะเถิดน้องเอ้ยหักความโศกโศกกาบาเพินศิลภาวระนาะตอไปให้เพียงพรสอยสังห้อมพรายูหาบุญสู่ลูกจอวยอวนะเอ้ยขันบ่หมดหมอดวยก็คงคอนอาไว My dear. ทอนวาดลัดสีเสียนได้เห็นเสงอึกทิธทึกแะน้ำดุมดังกว่าพ่องลงมาทางใจตัวพระไก่ใจหูอริอราชสตูคงเสมาเขยนกายมุดสีนเกิน์พระวงมาเสีสิบอกจอมคงสสบาเป็นอย่างดอกเคี้ยว ฟังแต่เสียงดนตรีหากเป็นเมืออเฮาพุนบุนมาเถึงแล้วมั่งลายอันตาลายจะได้วัน จ, าจ่าตู้รองมนูนเพียงพร้อมแลนดาดดางว่าเป็นของเจ้าฟ้าสเสด็จพอสีที่เฮาพุนแหลามาชื่เอเนากับฟังดังพระพรเทพวอนไว พระเวตใจบ้านเมืองบัดนี้เพ่งเฝ้าตอการละล่อลับทางพระไทลามเบิดบางบัดนี้ก้าถึงพระพ่อถามดอกความไฟ่ไทยคนขึ้นไปทูมพระฤาษีพม่าเสือนางแก้ว พ่อมาเห็นกันแล้วประไทบานซานเพียรสองกุมาเห็นแม่แม่เห็นสองแก้มแกว ม, มาแล้วกระเล่นเถื่อน นางก้าวมกอดแกงร้มลวมเกศสาสองบุตรตาสมานัดดังพระมารดาไทยนามตาไหลเล่นลวงหลวงลไทลุ่มที่ผ้ากันนิสันยีเสหลบลงสู้เพื่อนคนอื่นก็เดินตรง กษัตริย์เท้ารอมล้มปันวิสันเย่ชาวสีพีูมาลับก็เท้าตายไรเสินไฟจะวิเวียนลมเป็นลมอยู่กลางฟ้าสร้างและมาบอกกินญยาความเหงา ฮอนถึงพระพ่อเจ้าที่ลาลาจินตาเสื่ลงมายังก่อนในมู่คนได้หายภุมิสมมูกระสัดพร้อมไปจากก่อนกะเลยตื่นฝนบอกะลาพัดตัวชูเพื่อนก็เลยเพื่อ เฝ้าโยมส่วนซอยผอมไผ่ที่เชิญพระบาทไทยเคื่อนเขาสูนัขฟังฟังเอาสายาสหอนกระถากนแต่ฟังหลังอยากให้ฟังชักสันติบันพ่นซื้นสวรไทย ฉันเคยเลือนเอาไว้ที่น้ำไข่ที่อันเช่นพระองสุบานในฝั่งทาอันตาเล็งวันสวรรา์โยมพราบาน สิ้นสเสยงสตนแกงเงาพระหาองชั่งช้าวชจ่งชงบุญชูชือไชอ ช, องงอนนชั่งช้มหงุนคำก่อนคำันเป็นเพียงเสียงเสีองน้ำเกินก่อน ก่อนวเทเทใจสัสา่านฟังทานฟูวต่างส่องเสน่นลนลาวยย่างหวานวานถุยสานท่านสางตามบริด้วเจสาตรงควานก็ด้านมีทั้เขาจังเขาฮันควายควจ้าตัวทุกข์ อนไปเห็นโอ้อันเทียนทางล้านฟาวันเต็นตัวเที่อวันเทีมฟางล้านทางกองเล่นเล่ kẻ sai sam m n c a m thăng v i t san đổ tôn phan n g a u trọng trương châu t u c n say phần nhau ấy kiếp mò mò g h ắ p t r n l o n i n o n g t h u ô xa đi ฟังคำสั่งจากทางหัวยงมันสวมหน้าอันสั่งล้มฟามพอโอ้อันนั้นเป็นนั่งอันเดียวกันยาท่าในกลามยามใดตาาในกลามยามน้ Tàu tiên xa giang giá tha vàng b ạ o i ตัวลงมานั่งขอนเคียนฟันเดียนเทีท่สล้านตามบนงทางฟังตางเซนต์ูันตันาทา ง, ลา ง, ลา ง, ลางอลงกลงเพียงข่าวเียนมาโดน thiên trốn xuống thằng lại nhà mưa ngải t n sao làm vụ càng dám thế làm thả c r â mưa m u n t ô n m u s a p h bàn m u n thằng tiền n lên m u n tiền thằng tiền thìn lên tuổi c h a กาวนกันว า, านผูน้กัญลานันปานำบันพ่อหมู่เนื้องนุ่มนำวันใดเจียมส่องหลังผู้เพนเีน้เขาเมื ใ, ใจยินเดียบอนส่งสวหยห้ำหามเจียมนู ให้พงเหียมวาเนื้อนองการใจา ย้อมส้มกัมพดจางใจเอาบาทไทยทุนพร้อมเย็นาอารมณ์ลำบางเช่ยนยางด้วงดมทามบางบางบ่เมื่อเมืองประนุมมเนึ่งทั้งเสือ càng vài cả thuốc càng càng nói khó ngôn luận đam gió c ũ ố n kèm thầy hoàn hải luộc quán trước phu thoa t r à n t r ọ สิ่งตอนเป็ี่ยนวันละมืเห็นสิ่เลือนแล้วเจ้าในเมืองผันแผวแกเสีทิ้ด้วยสิน ส, สังวาสนาบ่อ น, นลาไหลังเวีนันตาเจ้า ด้วยบารมีพระท้าวาตาวันจ้าโนเสสโรนจ้าละจังกัยทานโอ้พ ด, ดังเลี่ยมเป็นเขาตัางแตมพระบาทเจ้าจจากนี้เมื่อมากพราเครื่องใจ่ไผเหตียว่าพาในีเมืออ่อไหร่จะเป็นเจ้า เทีนตาลุ่มเทีนตาลุ่มนอนาในเมื่อเป็นเป็นคำพงกีก พระเมื่อเป็นเจ้าจงจนพุนผาสาคนแหลงลาแกไฟฟาผูสนอยหยุดสั่งผ่านแถวเชืพนี้เมื่อกะติดสเจ้าเืองเชื่พระในเมื่อชมเมือนุกพนางนุ่มนาว เชิญพานในเมื่อเป็นเจ้าแก่สิพิมอุพัวสองระสับสิ้นแก่นไทยบ่ควรพาสิป้าสิลาหข้าคนไรสิก่าเก่ า, ามองเชิญเชินานในเมือ่อฝนบัง ข้องเมืองเลี้ยงไผ่ฟ้าเฉินทั้งลูกจะไผ่ลมนั่งแก้วเมงมัดวิ่งเฉินภายในคืนเมื่อพู ด, ดนเียแม่แกวกับทั้งองค์พันแพร่ไปอ า, าพัวปีกาเฉินภายในคืนเมื่อเลี้ยงธาราคาลูกน้อยอ่อนเชนินทานท้าวกันเมือ่อตุ่เจ้าไผพูน ยืนทานเนเมือววิเศษนุ่งผาสาชื่อม่าราชเจเดี่ยวนี้ยาสิล้างสางสิฟ้าสิลานก่อนไว้ทั้งเมื่อยสวนเป่าสางสิล้าฝาเสือทังบ้านในมนมอนอ ข้าไม่ขึ้นเมื่อข้องสางเโดยสางดังเก่าเพื่นสุ่งแทนงนังเก่านราเป็นกลางเจ้าเทื่อนสองตามประเทศนีน้อาจแย่ทำดังเก่าเป็นเผ่าเราสองทีจัะกกติยาฝ่าฟังมิตติตัง สามสิบกขาตั้งชวดกับวันบันเอลทว่มเทมทองดอกไม้แก่ทำไรเลี้ยงเจอวยก่อนดนักหนักสามต ทำละโปคันโดกไม้ประชาไทายเถื่อนถวายละศิขาจะข่ายละศีเพื่อศเสียนรับการสาพื้นเพลเพราะแม่แจงจัดตอนพ่อบางวออันมาสิลาละศิขาสิของตาวเจา้าพระชจ้าพี่นองในห้องก็เสื่อมซม ฟังเสียงแต่ตัอัมตัว อ, อ, อ, อ, อสมสุ่มแกะตาปองไปกับห้องใสได้เที่ยวไปลรื่องรางป้ากันล้อนเลม้ย่างในวันเดือนหนึ่งเอื้องค่หนึ่งวันหาวได้สมดาวเสื่อมกระจองค์พระเวก็จึงได้เอื้อนสั้งภูมิสรีธรรมคอยสำลังหลุด ยูสถาสะเตียนยังมาเลยยอยแขวนย่อยเดียร์นดาสุมภักษาอวัตนึ่สุมภักษาสาเสื่อไอของมันเหมือนวัดสามยามเสลาคือน อ, องพระเสใส่แก้วกวนก่อนดือยไม่เคยอยู่เพียงมันกันดกดัวเสืส้นเสมอ I c a l you the. ทั้งเกษตรกับนอร์เวยี่ห้างกวางเสียได้ดีอาสมนอยที่เคยนั่งบัมเพลนที่างเห็นว่ามีวันสวยอันขึ้นคอเคยได้ส่งสนาลงในรังสังบกบัดนนี่มั่กหี ยังว่าบุกเพ่อทางสันมาจะดามหน่อยในฝั่งข้าเพื่อเล็กหน่อยเวลา เสียงาะกวนจนเรื่องพระเบียกับสูบวังเมืองทองเก่าลังข้อนก้อนี่ข้างตกเป็นเพื่อที่สองของประชาบมนทุกอยู่สุขเกษรังสมบูรณ์ด้วยผู้ชนะนำท่าทุกทัวร์วนเลื่อนล่วนดอกม่วนยิ้ม นาค้งกันกัตริยนเสีย น, นสีสิบแปนพระคาถาเวสันตาข้อเมืองราชาทสงเกมตังนนติตังบนจมฟ้ามลณะผลพาลอยยีสิบพรรษาการอาวสามสุภาไปจดถ่วงโซกรบวน พันคาถา ท, าทวนทวนในส่วนสิบสามกันพันละนามาพบสู่พระการพระสารสิ้นองมู น, นจำฟ้าพระสัทธาเทพรดชาดกตัสพระกาเซียนประชุมเรืองก่อนกรรม เสียเขา่อดูกรทานวันมัวภิสุจร์แต่ละองค์นั้นคือภัยบัจชาเท่านี้กุงสนใจข้าวเจียเสตุจลงผู้โลกศากับมาเป็นพระบิดาศีสทุทธนธรรมการนี้ประเสริฐสวง พวงสนียออ่อนอมการก่อนพระชนนี้คือพระสีมายายอดยิ่งยิ่งอาง มันซ้นั่งนองแก้วแววมันสีสงางเพื่อย้สยโสพลาหรือพิมพามิแก้วผู้ไก่เกียงเจ้าพำเพียงชาลีบาทบาทเบืองชาลืราชบาทเบืองได้แก่พระลาหุนส่วนกันนาเป็นดุบุวันนสงางเสีหยรำโกม โชจะโกผาไหมกับกายเป็นคู่แคงเทวทัตภูกันแกงกำเสิเกี่ยวเกี่ยวพังอามิตาชาตินานกับเกลืดอดูบัดมาหากเป็นห่างกินจาบว่าละเวินตองค้นท้งฝวงข้าวเจียกับคื้นห่าเปม็นพวกทานเพ้่อห่วงกินห่วงทาง บาลม่ก้าวล้ำกุดต้นสางหวามังเวียนดอนเจ้าฟ้าภูเขาป่าวงกอนก็คือเฮาตะถาโพเทสนาจาวันจับสำเนาพ่อบ่ลมครูเทมประการฟ้าลิวจานไว้ก็เพียงหน่อย บอกน้ำตามาง อีกจักหน่อยพราเป็นอย่างสนับมาสิบสามกันได้พากเทียนเรียนลูฟังฟังโดยเอาอย่างจากักซ้ำเฮียวอย่าฟังเบาพวกผููด้ายกาให้เอาอย้างพระเวทเพิ่นบ้างลกกันสร้างกว่าผู้สม แม้นร่าพระมิ้นตอนผู้เป็นพ่อสิกรทางบวชศึสาขณะนี้นำด้วยว่ากัรเจ้าของสางเียื่อกันหนึ่งประจาชนผู้มางคดีแรงนี้ละเทศองค์พระเวทพวกเขียดให้ถือเอ้เหตุและผม ควรทิพพระนิมตวนที่ใสเด็กก็สัต่างใสราชาทิปย์ไทยต่อประชาเชาานพระผู้บ้านเห็นเสียงเสียงประชานเป็นไงหมอประชาชนทิพยแก่พระศกโยกขึ้นตามพื้นระบอบทั้ง nhóm ล้มบา h อยากลามนาที่ติสันเสี h นขอเชิญชวนนักผู้คนให้ใจต่ำตามด้วยบานต ị สวยเมืองที่กวมวสุกันขัดแยงฟังเสียงเมื่อเนี่ยฟังเทียมแม่ย m t r ใจ พวกแม่ อ, อกทั้งหลายคอยจำเชื่อยดอกเอาอยางนั่งมัดสีปพะ่เป็นบัดกามีดาเที่ยงแท่งทางสว่วเจ็ดเทือดีเจ็ดครั้งเพื่อนกัยังได้เราอยู่ทุกขก์คอยไถ่ทุ่รวมสมัครรักแรงสิไรเทียมกระบอกควร เอาละซาลูกมวนมวนบ่มวลก็ลลจำเป็นเห็นที่สวาวาสานนาแถลงเพียงนิม่มตูกะเลื้กะติกก่อพิมพ์ภา พ, า พ, า พ, า พ, าพาอประพันทางฝากะติเร็กหน่อยดอกเพียงหน่อย ห, หัมหอ่องอ่นานธรรม พัวที่มาเทอนเป็นภาคอีสานเสียงหยุดสำเนียงว่าตาไว้แต่พอเพียงนี้เอวังที่เ่าแล่าสูรกรส่กันจะสำเนียงเทเรียงพระเวทจูดเที่ยงตอนเหนือสี่หลง